بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف ا ل م س ل ي ن ن ب ي ن محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ب ح س ا ن ا ل ى م د ي ن ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. เรื่องราวข نبي نوح ซึ่งเป็นทนหหรือจะเป็นทนแรกในรูนุสที่ الله سبحانه และก็จะเล่าเรื่องราวของบรรดา نبي และ رسول หลายๆท่านในสุรนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลาฮุอะลัยฮุสัลลัมในการทำงานศาสนาเรื่องราวของท่านนบีนูเป็นที่ประจักษ์รู้จักสำหรับชาวอาหรับและอารยธรรมส่วนมากในโลกใบนี้ว่าท่านนบีนูนั้นเป็นศาสนทูต เราเป็นรอซูลที่ถือว่ามีความเก่าแก่มากที่สุดเท่าที่อรอยธรรมนุษย์เนี่ยสามารถติดตามได้บางทศนะในด้านประวัติศาสตร์ที่บอกว่าระหว่างท่านนาบีนูฮกับท่านนาบีอาดัมนั้นไม่ห่างกันเยอะ ตามรายงานของทนายอับดุลลอฮ์เนบอับบาสก็ห่างกันสิบยุคหรือสิบศตวรรษก็ประมาณหนึ่งพันปีในคัมภีร์โตราหรือคัมภีร์เก่าเนี่ยจะสนนิฐานระยะเวลาระหว่างนบีอาดัมกับนบีนูฮ์น้อยกว่านี้ประมาณสามกว่าปีแต่เราจะเชื่อรายงานของอับดุลลอฮ์เนอับบาสมากกว่า อิบเนกะซีรยังตั้งสนิทฐานว่าตามรายงานของท่านอับดุลลาบเนอับบาสวาสิบศิบยุหรือสิบศตวรรเนี่ยระหว่างท่านนบีอาดัมและท่านนบีนูที่มนุษย์ไม่ได้ทำชิริกอิบกะซีรจึงสนิฐานว่าเอาแล้วก็นบีนูเองน่ะถูก แต่งตั้งให้เป็นระซูลจะได้มาเผยแพร่ศัตรูทำและต่อต้านชิริกที่มันเกิดขึ้นแสดงว่าเพิ่มไปอีกเนี่ยจากสิบยุคเนี่ยที่ไม่มีใครทําชิริกแล้วก็เริ่มมาทําชิริกกันกี่ยุคจนกว่าท่านนาบีนู ح, มาทําหน้าที่มันแสดงว่าจะต้องบวกอะไรครับเวลาไปอีกถึงกระนั้นก็ตามระหว่างท่านนาบีนู ح, และบรรดามนุษย์ชาติในโลกใบนี้โดยเฉพาะกลุ่มที่อ้างถึงคำพีแห่งฝากฝาก่าก็คือยอหูนอสอรรและก็มุสลิมที่มีคำพี <c oughs> ที่มาจากพระบินเจ้าเขาเชื่อ ว, ว่าโลกใบนี้มนุษ ทีมีชีวิตอยู่ในขณะนี้ล้วนเป็นลูกหลานที่มาจากสายตระกูลของท่านนบีนูฮ์ทั้งสิ้นโดยเฉพาะทศน์อุลามาส่วนมากหรือเกือบทั้งของบรรดาผู้เรีผู้อธิบายกุคอันเนี่ยเขาจะยึดอัะหนึ่ง Allah อัลลอฮฺเราโวจัลนะดุรีเยตหูฮุมุลบาคี แล้วเราได้ให้ลูกหลานของเขาของท่านนาบีนุ่งของท่านเนี่ยท่านนาบีนุ่งเนี่ยที่คงมีชีวิตต่อไปหมายถึงว่ามนุษย์ทุกคนที่อยู่ในโลกนี้เนี่ยก็ก็จะต้องมาจากสายตระกูลของท่านนาบีนุ่งเอาแล้วก็คนที่รอดกับท่านนาบีนุ่งบนเรือละ่ะเสียชีวิตหมดแต่เดี๋ยวเราจะรู้รายละเอียดว่ารอดไปกี่คน แต่จุดที่ผมอยากจะเริ่มต้นการอธิบายเรื่องของท่านน บ, บีนัวฮวนนี่นีน่อะทีที่แล้วเราได้จบทีอ่อายะที่สิบสองในท่อนสุดท้ายของอายะนี้อัลลอ์ได้บอกว่าว่าอมิรตุอันนากู ا ل มินะมุลินคือท่านน บ, บีนันวเนียถูกใช้ให้กล่าวให้ประกาศว่าอุมิรตุและฉันถูกใช้ให้อยู่ในหมู่ผู้นอบน้อม ให้อยู่ในหมู่ผู้ที่เป็นมุสลิมก็หมายถึงว่าท่านนบีนูเป็นมุสลิมมีประโยชน์อะไรละ่ะที่เราในวันนี้ตรงนี้พวกเราเี่หมายถึงว่าที่นั่งอยู่ตรงนี้ในวันนี้ได้เรียนรู้เรื่องราวของท่านนบีนูซึ่งมีระยะที่ห่างระหว่างเรากับท่านนบีนูนี่โอ้นับเป็นเป็นหมื่นปีแหละ นานมากแต่มันจะรู้สึกยังไงอะครับพี่น้องถ้าคนที่เก่าแก่ที่สุดแล้วก็เป็นต้นตระกูลคือท่านนบีอาดัมันนะท่านนบีอาดัลมันมีลูกหลานเยอะแยะนะหนึ่งในนั้นนั่นก็คือท่านนบีนูใช่ไหมหนึ่งในนั้นท่านนบีนูแต่ลูกหลานนบีอาดัมันนี่ปฏิเสธศรัทธาไปหมดจนไม่เหลือใครเลยนอกจากนบีนูนั่นก็กลุ่มเล็กๆกับท่านนบีนูนั่นน่ะจมน้ําไปหมดเลย สุดท้ายนี่ในโลกใบนี้เนี่ยอัลลอฮ์ س ب า ا ن ه และ ت ع ا ل ทำความสะอารอบแรกและก็รอบใหญ่ที่สุดไม่ให้โลกนี้เนี่ยมีใครนอกจากผู้ศรัทธาเท่านั้นไม่เว้นแต่แม้แต่ลูกชายของท่านนบีนัวเองเนี่ยที่ที่ดื้อดึงแล้วก็ไม่ยอมขึ้นบนเรือและศรัทธาในเดชานุภาพของอัลลอฮ์อาจมไปจมเหมือนกันแสดงว่าตั้งแต่คนแรกเลยเนี่ยที่รอดจากน้าท่วม ที่ทำความสะอาดโลกนี้เส่งการให้โลกนี้หแอนะด้วยน้ํานี่มันมีนยัยยะตั้งแต่คนแรกนี่ที่ประกาศ ต, ตัวเองว่าเป็นมุสลิมอันอกูนะมินัลมุสลิมีนประกาศว่าเขาเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่นอบน้อมผู้ที่เป็นมุสลิมผู้ที่จํานวนตัวเองต่อ Allah Subhanahu Wata แล้วเราละ่ะ ถ้าสมมุติว่าเรานี่คือยุคสุดท้ายเรานี่ยคือยุคสุดท้ายนะสมมติ ว, วันเก่า ม, มาจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้สมมุตินะตั้งแต่นบีนุ่นจนถึงวันนี้เนี่ยซึ่งจะเป็นยุคสุดท้ายนะเราเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องราวของท่านนาบีนุ่นเนี่ยเราต้องรู้สึกอะไรรู้สึกว่าการที่เราได้ยึดมั่นในอิสลามทุกวันนี้นี่นะเรามีสายเชื่อที่ยาวนานมากเก่าแก่มากเก่าแก่ที่สุดในโลกนี้ ซึ่งเป็นจุดสำคัญมากที่เราต้องพิจารณาตอนอ่านอัลกุรอานละเราได้เล่าเรื่องราวของบรรดาณบีลและรัสูลทั้งหลายว่าคำสั่งสอนของพระเจ้านี้ไม่ได้ขาดสายไม่ได้หายไปไหนอัลลอ์ไม่ได้ทอดทิ้งมนุษย์แล้วเราสามารถยินดีด้วยนว่าอัลลอ์ไม่ได้ทอดทิ้งเราเรานี่ในยุคปัจจุบันเนี่ยให้พวกเรานี่ภูมิใจในสายเชือก ที่เก่าแก่ที่ยาวนานที่สามารถลากสายตระกูลนี่ไปถึงนบีนูฟนะเพราะนบีนูฟเนี่ยตามหลักความเชื่อที่เราเรามีในกุรานน่ะนนบีนูฟนี่ก็คือต้นตระกูลไม่มีละจะอีกคนนอกจากท่านนบีท่านนบีอาดัมด้วยนะอัลเลาจึงบอกว่าท่านนบีนูฟเนี่ก็เป็นบิดาผู้ที่สองบิดาผู้แรกนี่ก็คือ น บ, บีอาดัมแต่น บ, บีอาดัมนีมีลูกหลานเนี้ยนอกอื่นจากน บ, บีนูห์ตายไปหมดแล้วเหลือน บ, บีนูห์แล้วก็กุมผู้ศรัทธาที่ขึ้นบนเรือถ้าเราสามารถลากตระกูลของเรานี่ไปถึงนู่นนะต้นตระกูลเลยอะต้นกำเนิดของมนุษย์ในโลกใบนี้มันน่าภูมิใจมากกว่า นักวิทยาศาสตร์ที่เขาคนคิดทฤษฎีวิวิวิวัฒนาการว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมาจากลิงผมว่าระวังสองเรื่องราวนี้นี่นะถ้าเอาคนที่มีไม่ต้องมีความฉลาดเยอะนะไม่ต้องไม่ต้องมีสติปัญญายเยอะนะและก็เล่าสองเรื่องเนี่ยเร่ง เรานี่มาจากไหนเกิดมายังไงเป็นยังไงแล้วก็พระเจ้านี่สร้างมาเรายังไงจนมาถึงวันนี้แล้วก็เล่าเรื่องเรื่องนักวิทยาศาสตร์ว่านี่นะเรามันเกิดตั้งแต่อามีบานี่นะมันเป็นมันเป็นตัวตัวเซวเลล์เล็กๆนี่ที่มันว่าอยู่ในในบึงในน้ําเน่าอะไรต่างๆเนี่แล้วมันเติบโตจนเป็นลิงแล้วจากลิงกลายเป็นมนุษย์ผมว่าไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงเรื่องความศรัทธานะเป็นเรื่องราวอย่างนี้ เรื่องของกุตลานี่น่าเชื่อถือมากกว่าแต่สําหรับผู้ศรัทธานี่ไม่ไม่ต้องการนี่จะเชื่อแค่ว่าเออเราเกิดมาจากลิงหรือเกิดมาจากมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่อราเนาะให้ลงมาในโลกนี้จะได้ถูกทดสอบที่เราต้องการมากกว่านี้นี่ก็คือเส้นสายของความศรัทธานี่ของเรานี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องอุปโลกที่เรากําลังพูดกับ มนุษย์ในโลกนี้ในปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องความศรัทธาหลักศรัทธาเรื่องของสวรรค์เรื่องของนรกเรื่องวันเกียร์มาเรื่องของพระเจ้าเรื่องคําสั่งสอนว่าอยูที่มาจากพระเจ้านี่มันไม่ใช่เรื่องอุปโลกที่เพิ่งจะเกิดขึ้นในวันนี้มันเป็นเรื่องที่มีความยาวนานเก่าแก่ซึ่งมันก็เหมาะกับการที่ท่านอบับดุลลอฮฺสุลต่านมูฮัมหมัดสุลต่านจะได้รับการตอบใจ ว่านี้ขนาดรุ่นแรกคือมนุษย์รุ่นแรกที่เกิดมาในโลกนี้ซึ่งปัจจัยที่จะถูกหลอกลวงจากเชตอนและอิบลีสเนี่ยมันน้อยกว่าปัจจัยหรือเหตุผลที่จะทำให้คนในยุคของท่านนาบีเนี่ยได้หลงผิดเนี่ยน้อยกว่านะแต่ก่อนนู้นคือไม่ได้มีอะไรมากมายเหมือนสมัยท่านนาบี แต่ก็หลงแล้วก็หลงด้วยเหตุผลเหตุผลที่มันมันมันมันเหลือเชื่อสำหรับคนที่เกิดในบรรยากาศที่ค่อนข้างบริสุทธิ์คนดีตายไปแล้วสร้างรูปปัน้นรุ่นแรกไม่ได้ทำอะไรพอรุ่นที่สองนี่บอกว่าอ๋อปู่ย่าต่เนี่เขาสร้างว่าจะได้ขอฝนแสดงว่ามีอิทธิฤทธิ์มีความสามารถพิเศษก็เลยบูชาไป นี่ขนาดเรื่องของท่านนาบีนูอัลลอฮ์ามาเล่าให้ท่านนาบีมุฮัมมัดตท่านนาบีมุฮัมมัดถ่ายทอดให้บรรดาสหาบ้านเนี่ยได้มารายงานพวกเราว่านี่ขนาดนาบีนูน่นยังหลงกันเลยรุ่นนบียังหลงกันเลยแล้วยังเป็นอุทหาหรณ์สำหรับรุ่นยุค ข, ของท่านนาบีมุฮัมมัดสโลโลเซลามัวที่เขากําลังบูชาเจเวตนี่เนี่ยสมัยท่านนาบีนูเนี่ยมีเจเวตกี่ตัว วัดน์ ولا تذرون و ัดน์ ولا سواعن ولا يغوث ويعوق ونصران هاتوا ตัวอย่าเลยนะและสมัยท่านอิมมุฮัมมัดเนี่ยบางรายงานนะะมีอุลามาท่านหนึ่งชื่อดูดิลืมชื่อละอุลามาท่านหนึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์ได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องจวิดรูปปั้นที่อยู่ในยุคยฮิลียนี่เขาบอกว่าใน กาบ้านนี่มีอยู่สามร้อยกว่าตัวบางรายงานมัก็สามร้อยหกสิบกว่าตัวเเท่ากับจํานวนวันในปีอะจากห้าตัวนี่ในสมัยน บ, บี น, น, นุ่นนะี่ถึงยุคนั้นน่ะนะแตอนนี้ละ่ะเท่ทาไหร่ไม่ต้องนับเฉพาะแถวนี้น่ะนะ <laughs> และ้วไม่ต้องนับไม่ต้องนับเฉพาะเจวิต ที่เป็นรูปธรรมนะเพราะมันมีจเจวิตแล้วก็รูปปั้นหลายตัวที่มันเป็นนามธรรมามีจเจวิตที่เป็นอำนาจที่เป็นทรัพย์สินที่เป็นกิเลสหลายชนิดก็เป็นจเจวิตเหมือนกันเพราะอะไรเพราะมันถูกบูชาสักการะอื่นจากอัลลอฮฺ سبحانه แะ อายะถัดมาปะมาตถึงจุดที่อัลลอฮฺสุภาณอวตารจะปลอบใจคนที่ทำงานศาสนาบอกก่าท่านนบีนุนนี่ลงทุนขนาดไหนนี่ดาว่าเขาที่เราให้พี่น้องฟังอาทิตย์ที่แล้วดาว่าเก้าร้อยห้าสิบปีนี่ในที่สุดหน้าที่บอกว่าฟาลบีซฟีฮิมอัลเฟซนตินอิลคอมซีนอามที่อัลลอฮฺบอกว่าได้อยู่กับเขาหนึ่งพัน 1,000 ปีลบไป50ปีอิลละาคำศีนามันก็นหมายถึงว่า950ปีนี่คือระยะเวลาที่ท่านนาบีนุชทำงานดาว่ากับเขาแต่มีมีที่ทศนที่บอกว่าไม่ใช่นี่อายุของท่านนาบีนุทั้งหมดเลย9นี่ปีแต่มีคลฟิฟมีความเห็นที่แตกต่างกันสำหรับนักประวัติศาสตร์และการ น, นักเกรงงาน เรื่องราวของบรรดานับีรุรอซูลซึ่งแหล่งความรู้ส่วนมากเกี่ยวกับเรื่องๆนี้เรื่องโ บ, บราณ น, นี่นะส่วนมากก็จะมาจากคัมภีร์เก่าๆเช่นคัมภีร์เตอรอร์เป็นต้นเข า, นนาบอกว่านบีนูนเนี่ยก่อนที่จะเป็นนบีเนี่ยมีอายุเท่าไหร่บางทัศนะซึ่งเป็นทัศนัที่อิบเนียกซีให้น้ำหนักเขาก็มีอายุอยู่ห้าห้าสิบปี ถ้าในทศนาที่บอกว่าชีวิตของนบีโนทั้งหมดนี่ย950ปีก็แสดงว่าท่านนบีนูมีอายุ50ปีแล้วก็ถูกสถาปนาเป็นนบีบรซูลแล้วก็ทำงานได้ว่า900ปีแต่รุ่นกีตาบนี้เขามีหมายถึงว่าชาวคัมภีร์นย่าหูุดและนสอร์นเขามีความเชื่อว่านบีนูมีอายุก่อนที่จะเทศนาในประมาณ300กว่าปี อายุขยของคนในในยุคนั้นน่ะนะก็ยาวนานอยู่แล้วนะแต่ไม่ใช่ทุกคนเนี่ยจะยาวนานเท่ากับท่านนาบีนุท่านนาบีนูเนี่พิเศษเพื่อให้มีโอกาสในการเตือนหลายรุ่นคือหมายถึงว่าในรุ่นนั้นอาจจะมีคนที่อายุอายุมากกว่าหนึ่งร้อยปีสองร้อยปีสามร้มีเป็นไปได้เป็นไปได้เพราะการที่มีคนมีอายุร้อยกว่าปีเนี่ย ปัจจุบันนี้เราเห็นว่ามันไม่แปลกใช่ไหมในปัจจุบันก่อนหน้านี้เนี่ยร้อยปีนี่ยร้อยสองรอปีที่ผ่านไปแล้วเนี่ยก่อนที่จะการแพทย์นี่จะเจริญเนี่ยก็ยังมีข่าวค่าวา ว, ว่าดีคนที่เขามีอายุขัยมากกว่าร้อยปีนี่ก็มีแสดงว่าก่อนนั้นก่อนนั้นก็อาจจะมีแต่เราไม่ไม่พบซึ่งตอนนี้ในปัจจุบันนี้นะก็มีบุคคลที่อ้างว่าอายุเขาเนี่ยร้อยห้าสิบปี ร้อยห้าสิบปีร้อยเจ็ดสิบปีก็มีแต่พิสูจน์ไม่ได้ทําไมอ่ะพอเมื่อร้อยเจ็ดสิบปีประเทศเขาอะนะยังไม่มีตัวทะเบียนหมายถึงว่าถ้าจะขอหลักฐานเขาบอกาหลักฐานก็มันจะมีหลักฐานได้ไงอ่ะมันก็ไม่มียุคนั้นนะ่ะคนอยู่ในบุกเขาอยู่ในทุ่งนาหนุนอ่ะไม่ได้อยู่ในแม้กระทั่งในพื้นที่ที่เจริญแล้วนะก็ยังไม่มีตัวทะเบียน แต่ที่มีนะในประวัติศาสตร์ที่บันทึกว่าซัลมาลอัลฟาริซีอิมามอัลฮะบีได้บอกว่าไม่มีความขัดแย้งนะว่าซัลมาลฟาลิซีอายุนยี่ไม่ต่ำกว่าหนึ่งรห้าปีและเขาคีร่ า, าฟกันว่าจะถึง300ร้อยหรือไม่อนี้ไปดูในหนังสืสอเซราราลันนูเบละของอิมามอัฮะบีซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือและเป็นนักประวัติศาสตร์ที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆหมายถึงว่าอะไรที่ไม่น่าเชื่ออะไรที่แบบ นำปา้ปานีนกนก็จะปฏิเสธเลยเเอเรื่องของท่านนาบีนูเนี่ยก็มีเรื่องของที่รายงานจากคัมภีร์เตารอแล้วก็แล้วก็พวกบาดหลวง ท, ที่มารายงานเรื่องราวของท่านนาบีนู่นนะว่าแมวนี่เกิดมายัางไรรู้ไหมแมวอะ่อะพ、บกว่พอท่านนบีนู ح, ขึ้นบนเรือพร้อมสัตว์เป็นคู่เป็นคู่ใช่ไหมอ่แล้วก็กินกัน กินกันจนจนไอหนูนี่ตัวหนู่หนู่ะนะมันก็สร้างความรำคาญกับคนบนเรือหนูมันก็เยอะแล้วก็อันนี้ที่เขาเล่านะอ่ะนะอัลลอ์ก็เลยให้สิงโตนี่จเพอมันจาแล้วนี่ยอแมวนี่ออกมาคอดมา แล้วหมูนี่รู้ไหมหมูนี่มาจากไหนพอคนและสัตว์ไี่อยู่บนเรือนี่มันก็เลยต้องถ่ายกันไงถ่ายก็เลยมีมีมูลเยอะไงบนเรืออัลลอฮฺก็เลยให้ไอชา้างเนี่ยมันก็จะเหมือนกันก็มีหมูนี่ออกมาแล้วมันไปกินอุจระกินอะไรบนเรือไอหมาปนีกรซิบบอกว่า เรื่องนี้ไม่กินไม่กินกับปัญญานี่ไม่ไมีใครรับได้เรื่องเละอะเทอะก็ปฏิเสธแต่พอมาถึงเรื่องเรื่องอย่างอายุไขนี่จะได้จะได้เข้าใจแนวว่าคุ ร, รานในระบุชัดเจนเราต้องเชื่อไงเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องป ร, มระมประลาแล้วนะว่านบีนูใช้ชีวิตกับกลุ่มชวนของเขาเนี่ยเก้ายห้าสิบปีจะแบ่งกันยังไงเท่าไหร่แกมอันนี้ไม่ใช่ประเด็นประเด็นว่าคาร์สมินโน่อะ ไม่น้อยทํางานทํางานดาวว่าเป็นร้อยร้อยปีนะอย่างที่บอกกันนะไม่มีหรอกไม่มีไ ม, ม, ม, ม, ม, ม่มีตัวอย่างให้เห็นนะนะทำทำงานดาวว่าเป็นร้อยรอยปีในบรรดาในบีนนบร์ซูลก็ไม่มีเพราะฉะนั้นท่านนาบีนุ่เนี่ยหนึ่งในห้าลซูลเนี่ยที่เข้มแข็งห้านบีที่เข้มแข็งทนะี่สุดในบรรดานาบีะระซูลสามแสนกว่าเอ่อหนึ่งแสนกว่าท่านนะ่ะ นบรรดุขยิหมัดท่านอยถามท่านอับดุละซลมวับดาอบดราซูลกี่ท่านกวแสนกว่าท่านแลวบรรดาราซูลเฉพาราซูลละสกว่าท่านและอุษณีบอกว่าอุลลัษมีนรุสุลนี่บรรดาอุษณที่เข้มแข็งในสามรอยรลที่เข้มแข็งนี่ส่วนนมีอยู่หท่านนบีนูร์นบีบรมนบีมูซานบีอาและท่านนบีมุฮัมมัดลลัลลอฮ นบีน่นนี่เข้มแข็งบอ่อะไรอันนี้ส่วนมากเนีในห้านบีนี่นะจุดแข็งของห้านบีนี่ก็คือถูกทดสอบเยอะถูกกระตุแกเยอะแต่อดทนไม่เท้อไม่ถอยไม่เบี่ยงเบนไม่หนีไม่หนีในการทําหน้าที่นบีโนเนี่ยเป็นร้อยปีเป็นร้อยร้อยปีนะรุ่นต่อรุ่นน่ะนะรุ่นนี้ตายไปแล้วนี่มารุ่นใหม่นี่ไม่เบือ่อ เอาอีกดาว่าต่อไอ้ร <alors> so ุ่นใหม่นี่เกิดขึ้นเนี่ยร <F> ับคำสั่งเสียจากปูญ่าตายาแล้วเนี่ยคนนี้ยไปศรัทธาเนี่ยไปเชื่อนะอดทนขนาดนี้ก็เอามาตอบใจท่านนบีมุฮัมมัดสุลแลมแต่กระับูฮูพวกเขาก็ปฏิเสธท่านปฏิเสธท่านนบีูนะผมว่าท่านนบีมุฮัมมัดุลแลมแค่ได้ยินคำนี้เนี่ยนะ ก็คงเห็นสภาพของของท่านเองเนี่ยเพราะท่านนบีท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลเลวซัลลัมเป็นผู้ที่ตรตรองคําสอนของพระเจ้าอย่างดีที่สุดอย่างดีที่สุดได้ยินคําฝากัสเบูหโอโท่านนบีนูฮ์อยู่ดาว่าเป็นรอยรอยบีแล้วสุดท้ายเขก็ปฏิเสธและฉันล่ะทําไมทําไมผมจินตนาการว่าท่านนบีมุฮัมมัดคิดแบบนี้แหละเพราะ ในเรื่องของท่านนบีมูซานี่มีฮะดีสที่บ่งบอกว่าท่านนบีคิดอย่างนั้นจริงมีคนหนึ่งเข้ามาท่านนบีสุลต่านละออสซาลเลมแล้วบอกว่าเนี่ยทรัพย์สินที่ท่านได้รับเป็นสกาดไม่ไรเนี่ยแจกใครอยู่ที่ทำซะแล้วก็มาจับเสื้อในจับของเงินนบียุติี่ทำน่ยแจกใครยุติี่ทำนะท่านนบีมุฮัมมัดพูดยริงไง รักมัลลัลห์อัครีมูซาขวัลลาได้ไม่ต้บีนองจนนับีมูซา لقد بطولية بأكثر من هذا for supper ท่านถูกทดสอบยิ่งกว่านี้ยิ่งกว่าอีกคนที่มามาดูถูกท่านในแบบเนี้ยนะแล้วท่านอดทนนี่หมายแสดงว่านบีนบีได้อ่านได้รับว่าอยูเรื่องราวของท่านนบีมูซาแล้วก็ะจาตอนและได้บทเรียนและถ่ายทอดบทเรียนนี้มาเทียบกับการทํางานของท่านนี่ก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับเราไงอ่านกุทอ่านแล้ว ได้รับรู้แล้วอะไรเกี่ยวกับบรรดานับดุลเลานีเ่เอามาเอามาเปรียบเทียบเอามาเปรียบเทียบกับเราเคยด่าวา่าไหมเคยทำงานศาสนาคือทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่ออัลลอ์เพื่อสังคมเนี่ยแล้วก็มีคนมามาด่ามะไอ้บ้าเคยไหมหรือด่าอย่างอืน่นได้ไอ้ก่อก็ะได้ด่าวา่าไอ้วะฮ์บี แล้วบางทีนี่คือไม่ใช่ว่าฮะเบียงเดวที่ถูกทดสอบนะบางทีนี่ทอะไรตามสุนนะอบบีนะอย่างเช่นซิกรุนอเยอะเยอะซิกรุอ้คนนี้ซิกรุไอ้ซูฟีอ้าวการาทตามสุนนะอับบีอัลล์บอกอุซกุรุลลอฮ์ฮิกรันกาซีราละมิตรจุลลอยมากมายย ฮารักสิกรุลลสิกรลลิบา ค, ค, คนก็นมาเจอสิกรอีกละ่ะไอพวกนี้โซฟีปะ่ะดทั้งนั้นที่เขเป็นก็เหมือนกันแหละถูกกะณกแนหรือถูกรังแกถูกถูกตั้งฉายาดูถูกดูหมินในการกระทาที่มันเป็นคำสอนชัดๆเคยเคยไหมถูกถูกต่อว่าว่าเลี้ยงแมลงสาบ นี่ยเนี่ยเนี่ยเธอทำไมไว้มันยาวเนี่แลงสามันขึ้นน่ะเลี้ยงแมลงสาบอ่ะมีเคยเจอไหมที่น้อมุสลิมาที่คุมฮิญาบในบริเทอารบนะเขาจะรังแกมุสลิมาที่คุมฮิญาบคุมนี่กรอบนี่เขาเรียกว่าไอ้เต้นซอยยกซอยยเนี่ยน่เหมือนเต้นน่ะเดินเหมือนเต้นปุ๊บบายเาเรียกว่าไอ้มง ใช่ไหมไอ้มุงพร ะ, ะเรียนผมยัเคยเดินกับผมไปซื้อไปเข้าร้านยาก็เจ้าของร้านยาแล้วหนูหายใจออกไหมเนี่ยยุ่งอะไรหายใจออกแ้วก็ต้องเชื่อแหอั น, นี้ก็เหมือนกันนะ คือเราได้ยินเราก็เราก็เนี่ยเราก็ต้องอัญเชิญบทเรียนจากบรรดาอบีบละรัสูลทั้งหลาย เ, ยเลี้ยงว้ยแรงสาวมาออเปล่าครับทําตามคําสอนของศาสดาครับแค่นี้มีคําสั่งสอนที่กํากับชีวิตของเราโดยเฉพาะความอดทนของบรรดานับีบละรัสูลทั้งหลายแต่ที่สําคัญกว่าที่อัลลอฮ์ให้ ความปลอบใจกับท่านนบีเกี่ยวกับเรื่องการปฏิเสธของกลุ่มชนนบีนัวให้ท่านนบีมุฮัมมัดได้รับรู้จะได้รู้สึกอุ่นใจว่าเออที่ท่านทำเนี่ยก็ท่านไม่ได้บกพร่องนะท่านดาว่าแล้วกัคนไม่เอานี่ท่านไม่ได้บกพร่องนะเพราะก่อนหน้านี้นบีรอซุนเนี่ยเขาทํายิ่งกว่านี้คนเขาก็ไม่เอามันกันน่ะฉะนั้นมันจะดูเป็นเป็นเรื่องอปกตินี่ท่านไม่ต้องเอหยบับหยบอีดมากท่านทําหน้าที่อย่างเดียวที่มากกว่านั้นน่ะนะ ที่เราสุภาพนาวาดาลให้กำลังใจว่าที่เขาปฏิเสธเนี่ยเราก็จะไม่ไว้นะไม่ใช่ว่าปอบใจว่าอ๋อเองทำหน้าที่แล้วก็เดี๋ยวเขาปฏิเสธไม่ต้องไปสนใจเดี๋ยวฉันจะจัดการให้ทําให้บรรดานาบียและราสูลเนี่ยตระหนักดีว่ามีศาลนะมีกระบวนการยุติธรรมนะและบางทีในการลงโทษเนี่ยไม่ไ ม, ไม่ไม่ละเว้นนะลงโทษทันที หลายหลายเหตุการณ์ที um ่บรรดานบีละซูลถ ah ูกปฏิเสธศรัทธานี่เอาล่ะลงพูดทันทีเหมือนเรื่องของท่านนบีนูนเนี่ยฟะกะดะบูหูฟะนักเจยนาหูฟะกะดะบูหูพวกเขาก็ปฏิเสธเขาท่านนบีนูนนะเราได้ช่วยให้เขาและผู้อยู่กับเขารอดพ้นไว้ในเรือ คือระหว่างปฏิเสธเนี่ยกับการที่ท่านมนบีรอดนี่นะมันมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์แต่มันสื่อถึงความรวดเร็วในการลงโทษไงเขาปฏิเสธนะและนัลีนุ่งรอดแต่มาไล่ดูนะเรื่องนี้เนี่ยในอายะอื่นๆโซโล่อลๆๆื่นๆอันเราเล่าไงปฏิเสธแล้วนีเขาปฏิเสธนี่ใช้เวลาปฏิเสธนีเนนะ่เป็นร้อยรอยปีนะเป็นร้อยร้อยปี และสุดท้ายนคนที่ศรัทธากับท่านนาบีนู่นี่มีสองรายงานรายงานหนึ่งบอกว่าเจ็ดสิบหรือแปดสิบอันนี้มากที่สุดบางรายงาน น, นี่นับอกว่าสามร้อยกว่าแต่อันนี้ผมไม่ไม่ไมได้พบรายงานที่แบบว่าน่าเชื่อถือมากนักและท่านอิบเนกาซีรก็ไม่ได้ระบุในเรื่องราวของบรรดานาบีรอซูลทั้งหลายในหนังสือกัสซุลอัมบิยาเนียแต่อิบนอ อ, อิมังกรตูบีนี่ได้ระบุ ว่าสามร้อยกว่าคนแต่คุณตบีนี่ก็จะในการอ้างในการรายงานเรื่องราวรายงานต่างๆเรื่องราวต่างๆของนบีรัสูลี่ก็จะไม่ค่อยเข้มแข็งเท่ากับท่านอิมามอับดุกะซีรแค่นั้นที่มีความแน่เชื่อถือมากที่สุดเนี่ยสองรายงานรายงานหนึงบอกว่าเจ็ดสิบถึงแปดสิบอีกรายงานหนึ่งเท่าไหร่รู้ไหมเจ็ดคน ทำงานเก้าร้อยปีเนี่ยศรัทธาเจ็เฉลีย่ยแล้วเนี่ยศรัทธาหนึ่งร้อยปีละหนึ่งคนเฉลีย่ยนะน้อยกว่าหนึ่งคนด้วยเนี่ยฟฟกซ์เบูฮูที่ปฏิเสธนี่ยปฏิเสธกันมาเท่าไหรล่ล่ะปฏิเสธกันมาเป็นร้อยร้อปีรุ่นต่อรุ่นบางรายงานบอกว่าเก้าร้อปีนี่นะ ท่านนบีนูทำหน้าที่ทัง้งหมดเลยแต่มันมีอยู่ประมาณร้อยกว่าปีเนี่ยท่านนบีนูทําหน้าที่โดยที่ท่า น, นรู้ว่าจะไม่มีใครศรัทธาเพราะอัลลอฮ์บอกกับท่านนบีอันหุลัยอมีนะมิมข้ามิกอิลลามันกัดอามันบละไม่มีใครจะศรัทธาตา่อไปจากนี้นอกจากคนที่เขาศรัทธาไปแล้วเอ้าแล้วก็เอามาจากไหนแยะว่า ช่วงร้อยกว่าปีก่อนที่น้ําจะท่วมนี่ท่านน บ, บีนูห์ดาวาด่าโดยรู้ว่าไม่มีใครศรัทธาเพราะบางรายงานที่มาจากอานุลกิตบับแล้วก็อุณามาในประวัอิสลามก็บอกว่ามีความเป็นไปได้เขาบอกว่าอัลลอฮ์สั่งให้ท่านน บ, บีนูห์สร้างเรือเนี่ยก่อนที่น้ําจะท่วมเนี่ยประมาณร้อยกว่าปีร้อยกว่าปี สั่งให้ปลูกต้นไม้ให้เยอะบางรายงานโดยท่านเซอรีได้บอกว่าท่านนาบีนุนเนี่ยใชยไ้ไม้สักไม้สักภาษาอาหรับเนี่ยไม้สักเนี่ยเขาจะเรียกอะแซจหรืออะซอจเป็นที่รู้จักกันนะแต่ก่อนนน้นอาหรับเนี่ยถ้าจะใช้ไม้ดีๆเนี่ยเขาจะเรียกอะแซจเอามาจากไหนะเอามาจากอินเดียซึ่งแต่ก่อนโ้นนะ่ะ อะไรที่มาจากตะวันออกเนี่ยส่วนมากนี่นะสองอย่างเปอร์เซียหรืออินเดียถ้ามาทางบกเนี่ยเปอร์เซียเพราะเปอร์เซียนี่เคยมาปกครองคาบสมุทรอาหรับแล้วก็มาทางบกแต่ที่มาจากทะเลนี่นะอินเดียทั้งนั้นซึ่งในในเปอร์เซียในอิหร่านพวกนี้ไม่ไม่ค่อยมีไม้สักนะไม้สักนี่มาจาก มาจากแถวเนี้ย <c oughs> เออแล้วไม่สักเราก็รู้กันนะว่าถ้าจะเป็นถ้าจะเป็นต้นใหญ่ที่จะสามารถสร้างเรือที่บอกว่าบางรางงานเนี่ยบอกว่าเรือนี่มีความยาว225เมตรความกว้างประมาณ40เมตรโอ้โหมันเท่าก็เรือบรทุกเครื่องบินอะนะก็เป็นไปได้เพราะบางรรยงานบอกว่าท่านนบีนูใช้เวลา40ปี นี่เขาอก็ใช้เวลาปลูกต้นไม้ที่เพียงพอในการสร้างเรือลาใหญ่แบบนี้ร้อยปีและใช้สี่สิบปีในการสร้างเรือซึ่งในช่วงนี้นี่นะน บ, บีนุครู้ละว่าบทลงโทษนี่ต้องมาแน่นอนอา้าวแล้วจะไม่ดาว่าดาว่าวะจะรู้ทั้งนั้นนี่รู้นะว่ามันจบแล้วลงโทษแน่นอนแต่ดูสิระยะเวลาระหว่างการปฏิเสธ จนกว่านาบีนนเนี่ยประสบความสําเร็จในการสร้างเรือและน้ําท่วมและรอดแล้ววะนะตัวฟาอย่างเดียวฟาการザบูฟาณจายนาการザบู uh uh ปฏิเสธฟาฟาเนี่ยและเราให้เขาหรือแล้วเราให้เขารอดระวังปฏิเสธแล้วรอดนี่นะเนี่ยตรงเนี้ยมีเรื่องเยอะมีเรื่องเยอะที่เล่าได้นะแต่ทําไมอัลลอฮ์เล่าสันส้นๆละ่ะ อันนี้มันเป็นเรื่องปลอบใจไงกําลังปลอบใจท่านนายบพราะว่าท่านท่านไม่ต้องคิดมากนะไม่ต้องซีเรียสนะไม่ต้องเครียดนะไม่ต้องเสียใจนะเพราะอัลลอฮฺเตรียมไว้แล้วการลงโทษพวกที่ปฏิเสธบรรดา น, านาบิรุสูลอัลลอฮฺเตรียมไว้แล้วบทลงโทษแล้วบทลงโทษนี่มันจะรวดเร็วโดยที่บรรดา น, านาบิรุสูลเนี่ยแทบจะไม่รู้สึก ถึงเวลายาวนานที่มันผ่านพ้นไปแฟรกาซับูคูฟานาเจนาห์เขาปฏิเสธแล้วแป๊บหนึง่งรอดละเรารอดละเอาแล้วก็พวกปฏิเสธไปนั้นไปแล้วอิละมาได้บอกว่านี่คือนี่คือความสวยงามของอัลกุรอานที่จะให้เรารู้สึกถึงคุณค่าบางอย่างถ้าเราเอ่ยมาในกุรอานน่ะนะอย่าลืมวันนี้เรากาลังพูดถึงพระ ด, ดารัสกุรอานนี่หมายถึงว่าสิ่งเดียวเราพูดมา อัลลอฮ์ก็จะต้องพูดสิ่งที่ไม่ไร้สาระถ้าในเรื่องที่ลเาเล่าเนี่ยไม่ไดีเอ่ยเลยนะฟากับูห์เขาปฏิเสธฟะนัตเจยแนห์แต่เราให้รอดนบีนูและคนที่ศรัทธานี่รอดอลัลลอก็คนที่ปฏิเสธนะชะตาการรมเป็นยังไงอะ่ะอัลลอฮ์ถึงขนาที่ไม่เห็นค่าและไม่เอ่ยมาเลยแล้วอย่าไปอย่าไปยุ่งกับมันเขาปฏิเสธอย่าไปยุ่งกับมัน มันเป็นยังไงบ้างล่ะเนี่ยในสุราอื่นๆอายะอื่นๆนี him, like ่อัลลอฮ์ก็เล่าเรื่องคนที่ปฏิเสธทาล่ะก็จมน้ําเหมือนตึ้งเหมือนตึ้งมูซากับท่านนบีท่านนบีมูซากับฟิล่าวนะนะวะนะโอฟิล่านจมน้ําแล้วก็สัานการมเป็นยังไงในก็เล่านะแต่นี <champion>. ่อ <yes>, ยู่ระหว่างการปอบใจท่านนบีและไม่ให้ท่านนบีให้ราคามากกับคนที่ปฏิเสธออใช่ พอเราทำงานศาสนานะขณะที่เราทำงานศาสนากำลังดาว่าไขรกำลังทำโครงการเผยแพร่อะไรนี่กับคนที่เราทำงานกับตอนนั้นนะ่ะนะให้คุณค่าสูงและให้การคาดสูงกับการตอบรับตอนนั้นแต่ถ้าได้เห็นแล้วการปฏิเสธหรือการไม่ยอมรับหรือการไม่เอาไหนกับคำสังสอนน่ะนะเราก็ต้องลดละ ไม่ได้ลดราคาไม่ได้ลดค่าคนที่เราทํางานแสดงว่าพ่อเราอยากจะดูถูกเขาเนี่ยไม่ใช่เพราะชีวิตของเราเวลาของเรานี่มีไม่เยอะและคนนี่ยังต้องการให้เราไปทางานเก็ยังมีเยอะแต่ถ้าเราจะมาเป็นโรคซึมเศร้ากับคนที่ดาว่าแล้วก็ไม่ตอบรับเนี่ยเอามาซึมเศร้ากับเขาแบบนี้เนี่ยคนอื่นนี่กดเลยสิคนอื่นที่ยังต้องการคําสั่งสอนไปเผยแพร่กับเขาอะนะไม่มีสิทธิ์ที่จะรับรับรู้คําสั่งสอนเลย พระนจายนาหูเราได้ช่วยให้เขาให้ท่านน บ, บีนว่์เนี่ยแล้วพูดอยู่กับเขานี่ว่ามัมมาหูว่ามัมมาหูคนที่ศรัทธากับท่านนี่นะจดสิบหรือแปดสิบหรือเจ็ดคน f ิลฟุลก l ขี้ผนวนเองหรือยรอดผนวนเองหรือย่รายงานเกือบทั้งหมดของ บรรดาปราดในศาสนาชาวคัมภีร์ที่เล่าเรื่องราวของท่านนาบีนูเช่นเตาร้อยยีนแลกะกุรอานพื้นที่ของกลุ่มชนนบีนูและท่านนาบีนูเนี่ยอยู่อยู่แถวแถวอิรักโดยเฉพาะตอนเหนือ เพราะทศน์อัลมาส่วนมากนี่พอเขาไปอธิบายอายะที่อัลลอฮ์ได้ได้บอกว่าหลังจากที่ได้น้ํามันี่มันแห้งไปแล้วจากจากโลกเนี่ยเรือนี่มันก็ไปเกาะติดอยู่ที่ภูเขาอัลยูดีว่สตาวาต้าอัลยูดีเขาบอกว่ยูดีเนี่ยเป็นชื่อภูเขาดังที่เป็นที่รู้จักกันที่ที่อิรักตอนนี้ในอยู่ในพื้นที่ชาวเกิร์ตแถวเอร์บิล ใกล้ๆกับตุรก <Freder> ีอ่ะชื่อบุเขายูดีแต่มีนักประวัติศาสตร์หลายคนเนี่บอกว่าที่จริงเนี่ยมีหลายพื้นที่ในโลกนี้หลายพื้นที่ในโลกนี้มีภูเขาชื่อว่ายูดีนี่ล่าสุดนี่คนยเมเนี่ยเขาบอกว่ายูดีอยู่แถวนี้แถวบ้านเราเนี่ยยิมน้นู่นตุรกีก็บอกว่าไม่ใช่อิรักเนี่อยู่ที่ตุรกีนู่นที่สําคัญนี่ยนะถ้าคุตลานได้พูดถึง พื้นที่หรือบุคคลและไม่ได้เจาะจงรายละเอียดไม่ได้เจาะจงรายละเอียดอะไรมากแสดงว่าเลาไม่ต้องการให้เราต้องไปขุดคุยหรือไปเกาะติดรายละเอียดนั้นเกินไปก็เรือเรือนี่มันมันสถิตบนภูเขาอัลยูดีแค่ให้เห็นว่าน้ำนี่มันท่วมจนถึงยอดเขาเลยอะ อันนี้ก็เป็นบทเรียนเพียงพอแต่ยูดีนี่อยู่ตรงไหนความสูงของภูเขาลูกนี้นี่มันกี่เมตรกี่ร้อยเมตรอะไรพวกนี้นี่นะอิมนิกซีน ไ, ได้วางทฤษฎีนี้เนี่ยตอนเขียนปฐมบทของตับซีรนิกเตับซีร์ของท่านนี่นะเขาบอกว่าเรื่องราวในคุฎอ่านนี่ที่อลัลลอฮฺไม่ได้เอ่ยถึงรายละเอยียดนี่นะแสดงว่าไม่มีประโยชน์อันนี้เป็ น, เ ป, นเป็นคือเป็นหลักการที่อิบนิกซีนวางไว้ ตอนอธิบายตอนเรื่องอธิบายอุษุนักที่เฝ้าถ้าชาวถ้ำพันไหนตัวผู้หรือตัวเมียทำไมจะเอามาเลี้ยงแล้วสมมติว่ารู้จะเอามาเลี้ยงแหละเล่ยไงจะจะเป็นชาวถ้ำจะได้ชายาว่ามีสุนัขชาวถ้ำไม่ไดประโยชน์อะไรเลย มดที่มันคุยกับท่านนาบีสุลมานเป็นตัวผู้หรือตัวเมียแล้วเป็นมดแดงหรือมดดําเป็นมดป่าหรือมดเขาเนี่ยก็เปับรายละเอียดนี่ก็คือเรามีเรามีสิทธิ์นะแต่เรามีสิทธิ์ที่จะไต่ไตรตรองอีกระดับหนึง่งอ่ะแล้วมันจะมีประโยชน์ไหมมันจะมีประโยชน์ไหมประมาณเนี้ยรายละเอียดเกี่ยวกับ เรือของท่านน บ, บีโ น, น่นี่ก็มีเยอะที่มันเป็นอิสราเ อ, อลีอัดนี่มัมเนกนีก่้บอกเรื่องที่ประมบราที่เล่ามาจากบรรดาคำพีเก่าๆหรือตำราเก่าๆที่ไม่มีที่ไปที่มาที่ไม่สามารถตรวจสอบได้เล่ากันมาจนเป็นกระแสะเป็นเป็นรายงานเป็นเรื่องเป็นราวแต่พอไปดูต้นตอเนี่ยไม่มีไม่พบ มันมีกระซิบบอกว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยตัวเฉอาะที่มันมีรายละเอียดเกินกว่าที่มีในกุตอานนะบอกว่าไ ม, ไม่ต้องสนใจเพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ไม่สามารถยืนยันได้อย่างเรื่องบรรดาสัตว์สัตว์บนเรือมีในกุอัานนี่บอกว่าให้เอาเป็นคู่คู่ใช่หมหตัวผู้กับตัวเมีย รายละเอียดนี่ว่าเอากี่ชนิดกี่พันเกล็นก็ไม่ ม, ก ม, กมีก็ไม่ต้อก็ไม่ต้อก็ไม่ต้องคิดอีกเรื่องหนึ่งอันนี้น่าสนใจเป็นรายละเอียดที่ไม่ค่อยมีผลแต่อุลามาบางท่านเนี่ยเขาจริงเอาจังมากเช่นอันนี้ประเด็นสําคัญเพราะมีนักวิทยาศาสตร์ที่มาพูดเยอะแล้ะทำให้เกิดความสับสนบ้าง ตกลงน้ำท่วมสมัยในบีนูเนี่ยท่วมทั้งโลกหรือท่วมเฉพาะพื้นที่ของท่านนาบีนูถ้าในบรรดาคำภีทั้งหลายที่เราเรื่องในบีนูเนี่ยมองว่าหรือตีความตัวบทต่างๆเนี่ยว่าน้ำท่วมทั้งโลกแล้วเชื่อว่าคนทั่วโลกนี่ตายหมดยกเว้น คนที่อยู่บนเรือแต่จะมีนักศาสนาจากศา ส, สนาฮินดูซึ่งเริ่มต้นเรื่องนี้ตอนที่ฮินดูกับมุสลิมเริ่มมีโตเถียงกันเกี่ยวกับคัมภีร์คุรานและคัมภีร์ของฮินดูนะว่าใครผิดใครถูกอะไรเงี้ย ทางฮินดูเนี่ยเขาก็ตีกุรานว่านี่เล่าเรื่องว่าท่านนาบีนู ح, น้ําท่วมทั้งโลกแต่เราสามารถยืนยันได้ว่าแถวอินเดียนี่นะไม่เคยมีน้ําท่วมแบบนี้แล้วเราสามารถไล่สายตระกูลของของคนเก่าแก่ของเราเนี่ยจนถึงนบีนู ح. แล้วก็เลยเป็นนบีนูอีก ในบรรดาประวัติศาสตร์ตำราประวัติศาสตร์ไม่เคยมีใครมาเล่าเลยว่าเออแถบนี้เนี่ยได้เจอน้ำท่วมแล้วมีมีนักวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าเป็นไปนไม่ได้ที่น้ำท่วมจะท่วมทั่วโลกเพราะบางพื้นที่เนี่ยที่เป็น ภาคส่วนของบกหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่เอื้อที่จะพบรยรอย่องรอยของของชีวิตในทะเลแต่ก็มีนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มในที่เขาบอกว่าเป็นไปได้ว่าท่วมทั่วโลกจรงิงเพราะยอดภูเขาสูงหลายลูกทั่วโลกอะ น, นะก็พบอ่ารอ่องรอยของชีวิตเป็ น, นวัถุโบราณ ยืนยันว่ามีชีวิตของสักทะเลปรากฏที่ยอดภูเขาอธแสดงว่ายอดภูเขานี่เคยเคยเคยมีเคยมีทะเลเรื่องีมทั้งวนนี้มันก็มันก็ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีสาระสำคัญมากที่เราจะต้องมาถกเถียงกันทำไมจะเป็นน้าทั่วโลกหรือไม่ทั่วโลกคนที่ เหลืออยู่เนี่ยเป็นลูกหลานน บ, บีอาดัมน บ, บีนัวอย่างเดียวหรือมีคนอื่นที่รอดที่ไม่ได้อยู่ในส่วนที่ท่วมของโลกนี้แหละเขาก็รอดเหมือนกันนะ่ะแล้วก็ปัจจุบันก็มีคนที่มาจากลูกหลานเขาเนยมันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายสำหรับการตรวจสอบความจริงและสัจธรรม ที่ผมได้วิเคราะห์บทเรียนจากอายานี้ว่ามันจะส่งผลสําหรับคนที่เชื่อคนที่ศรัทธาในกุอานนี้อันนี้แน่นอนเราเชื่อให้น้ําหนักมากกว่ากับความเชื่อว่าน้ํานี่ท่วมทั่วโลกเพราะส่วนมากในบรรดาอายะที่เราเรื่องท่านนาบีโน่นี่ยก็จะชี้ถึงประเด็นนี้ว่าน้ำนี่มันทั่วโลกท่วมทั่วโลกแล้วคนทั่วโลกนี่ตายไปหมด ยกเว้นนบีนุู่้ศทาและสุดท้ายเนี่ยคนที่เหลืออยู่เนี่ยจากบรรดามดนที่เคยลูกหลานท่านนาบีนุ่นอย่างเดียวหมายถึงว่าคนที่รอดนี่ก็ก็ตายไปด้วยหลังจากที่รอดบนเรือนะมีชีวิตอยู่แหลังจากเขาก็ตายและไม่มีลูกหลานเลยมีลูกหลานของท่านนาบีนุ่นอย่างเดียวที่มีอายะในกุศอ่านที่พูดแบบนี้ค่อนข้างชัดเจนก็จะมีประโยชน์สําหรับ มุสลิมพอไตรตรองอันกุศลานี่ก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้มากกว่าคนอื่นแต่สําหรับคนอื่นเนี่ยที่ที่ไม่ใช่มุสลิมมานะและต้องการบทพิสูจน์ในความจริงและศาสนา ร, ร, รายละเอียดพวกนี้นี่นะจะไม่เป็นตัวช่วยแล้วก็จะไม่เป็นสิ่งที่จะก่อกวนรบกวนเส้นทางในการค้นหาความจริงและศารนา ตกลงโลกนี้มันท่วมทั้งโลกแล้วมันมันไม่ส่งผลอะไรกับความจริงเลยจะทํามีอัลลอฮ์ไม่มีอัลลอฮ์ Allah, มีวันเกี่ยวไหมมีกันเนี้ยน้ำท่วมโลกเนี่ยมันจะเกะี่ยวอะไรมันไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นอุลลมาหลายท่านได้มาพูดเรื่องนี้แล้วส่วนมากนะอุลลอฮ์นี่ยก็จะอุลลมาที่อธิบายกุานเนี่ยก็จะมีทัศนะค่อนข้างแรงกับคนที่ปฏิเสธ ว่าน้ำไม่ได้ท่วมทั่วโลกแล้วก็คนที่รอดเนี่ยไม่ใช่น บ, บีน้ย่ยเขาบอกว่าที่เชื่อแบบนี้เนี่ยมันสวนทางกับกุตัานอย่างชัดเจนอย่างอิมามอินยกกะซีรนี่บอกว่าไอคนที่เชื่อแบบนี้นี่นะมีแต่พวกพวกกาเฟ่และก็พวกที่ปฏิเสธกุตัานอย่างสิ้นเชิงซึ่งเป็นการวิจารณ์ทีค่อนข้างแรงมีเนี่ยอุลามาร่วมสมัยอย่างเช่นมุฮัมมัดอับดุเนี่ยซึ่งเขาจะแนว แนวประนีประนอมกับแดววิทยาศาสตร์แกอธิบายกุตตานแต่ก็จะมาในแนวประนีประนอมกับวิทยาศาสตร์อย่าให้ทะเลาะกันอย่าให้มีปัญหากันท่นนนาทนนี้เนี่ยอัลมาท่านนี้เนี่ยได้บอกว่าในกุตตานนี่ไม่มีหลักฐานก็ต่อยไม่มีความชัดเจนร้อยปอร์เซนว่าน้ําท่วมทั่วโลกพวกหลักฐานนี่มาเนี่ยนะมันพอที่จะตีความได้เช่น น้ำทั่วน้ำท่วเช่นเขาบอกว่าเช่นมันจะได้เข้าใจว่าตีความยังไงก็ท่วมเฉพาะพื้นที่ที่นบีนูอา้าวแล้วก็ที่อื่นๆน่ะคือสมมติฐานนะว่าโลกตอนนั้นน่ะไม่มีคนนอกจากที่นั่นตีความได้ไหมอจทีความนม่นก็แสดงว่ามันอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้เทียร์เลอร์บอกว่าท่วมทั่วโลกในวันนี้ว่าที่มีคนอยู่ สมมติว่าโลกสมมติว่าโลกตอนนี้สมมติสมมตินะโลกตอนนี้ในมีแค่เมืองไทยนะสมมตินะแล้วเกิดขึ้นแผ่นดินไหวในประเทศไทยเฮ้เราก็บอกโอ้แผ่นดินไหวเกิดขึ้นในโลกใบนี้มันก็เป็นไปได้ไงเพราะเพราะเราไม่รู้จักกับพื้นที่อื่นนี่เราไม่รู้จักกับอะไรเกิดขึ้นกับมันนี่รู้ไหมว่าเมื่อวานน่ะมีแผ่นดินไหวที่ตุรกีโอกริคเตอร์ไม่รู้ดิคนส่วนมากไม่รู้หรอก เราจว่าคนไทยอ่ะนะเพราะมันมีแผ่นดินไหวอื่นกำลังเกิดขึ้นบ้านเรามันแผ่นดินไหวเกิดขึ้นใน่โลกนี้เยก็เขาไม่เาไม่สนใจก็เป็นไปได้ว่าที่เอามพูดเนะี่ยหมายถึงว่าในพื้นที่นั้นๆ น, น, นะและมาอีนิดอกนิกะซีไม่ใช่กระซิบใครนะลืมไปละเราะอย่างนีน้อ่านน้ำตาลตำราไปจนลืมอ่ะมีวลามาด้นบอกว่า ระหว่างนาบีนุ่กับนบีอาดามนี่มีไม่ไม่นานเนาะแสดงว่าประชากรมนุษย์ตอนนั้นน่ยมีน่าจะเยอะเนี่ยม่ น, าน่าจะแบบว่าพุกระจายไปอยู่ทั่วโลกทวีปอเมริกาออฟริกาอุมอ้ยยังแค่นียผ่านไม่กี่ยุคอะนี่นี่แค่บ้านเรานี่ผ่านก็สิบยุคนี่ก็จ ะ, จ ะ, จ ะ, จะทะลาไอารอ์สมุทรคนหนึ่งอะนะเราลากตระกูลปู่ย่าตายายเนี่ยอ่ะยกตัวอย่างอย่างบ้านเรานี่ตระกูลสุลตานสุเลยมานชาอันนี้สองร้อยปี สองร้อปีนีประชากรประชากรลูกหลานสุลต่อนสุลัยมานชานี้ก็หลักพันน่ะหลักพันในเอียงมากนี่ก็หลักหมื่นน่ะแล้วก็หลักพันหลักหมื่นนี่จะมาอยู่ในพื้นที่ระดับทวีบอ่ะอันนี้คนเดียวแต่โซโลเทนน่มีอาดัมนี่นะมากกว่านั้นน่ะมีลูกหลานเยอะกว่านั้นน่ะเท่าไหร่อ่ะสามหมื่นแสนหนึ่งแสหนึ่งบ้านเราแสนหนึ่งกับเขตนึ่งกันกรุงเทพนี่เขตหนึ่งก็บแสนหนึ่งแล้วะ แต้นเป็นไปได้น้ําท่วมที่ไหนเฉพาะตรงนี้เฉพาะตรงเนี้และตรงนี้นดียกว่าโลกทั้งหมดดีกว่าเพราะที่อื่นนี่ไม่มีเงี้ยไม่มีมนุษย์และ้ะทสนันนี้ก็าบอกว่ใช้ดีเพราะหลังจากที่นบีโนรอดแล้วนี่นะก็มีลูกหลานของท่าน น, น, นาบีโนเท่านั้นแล้วนบีโนนี่มีลูกสามคนซามฮามยาฟิสแล้วก็มีคนหนึ่งชื่อยาม ยามไม่ใช่ยามนะยามในในตราเนี่ยเขาเรียกกันอานยามนี่ก็คือที่ปฏิเสธที่ไม่ยอมขึ้นบนเรือที่คนมาเรือนี่นี่ยซามฮามิอาฟิสแต่ก็มีความขัดแย้งว่าซามยามิาฟิสเนี่ยเป็นต้นตระกูลของบรรดามนุษย์ทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้เนี่ยแต่ใครเป็นปู่ของใครอ่ะเช่นมีค่อนข้างเอกฉันุ่หามเนี่ย ต้นตระกูลของคนผิวดำซามเป็นต้นตระกูลของตะวันออกกลางอะอาหรับยิวอะไรพวกเนี้ยเนี่ยซามถึงยิวนี่ยเขาบอกว่าใครที่เยียรติยูเนี่ก็ก็โดนข้อหาโดนข้อหาอะไรนะสมิสเนี่อะไรสมิสเนี่ยที่เกียรติยูอะเพราะเด้เขาอ่างว่าเค้านี่เป็นลูกหลานซามแต่ที่จริงเซามนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ยิวอย่างเดียวอาหรับก็ ก็ลูกหลานสามเหมือนกันอันนี้ในในตรานี่ก็ระบุแบบนี้นะหมายถึงว่าลูกหลานสามถึงก็มีอารับด้วยและนี่คือความเชื่อส่วนมากของนักศาสนาในทุกศาสนาที่มีคำภี้เพราะฉะนั้นอัลลอ์ได้บอกว่าจะเอาหน้าห ja ah ุ้มคนไฟ้ฝคนที่รอดไปเนี่ยคนที่รอดไปเนี่ยเราได้ให้พวกเขาเป็น ตัวแทนตัวแทนนี่หมายถึงว่าตัวแทนของสายตระกูลมนุษย์เทียงหลงเหลืออยู่ในช่วงนัน้นมีลูกหลานเทียงที่จะเป็นตัวแทนของพวกเขาแต่ในอายะอื่นนี่บอกว่าที่จะที่จะเป็นตัวแทนนี่ก็เฉพ า, าะลูกหลานนบีนูฮ์เท่า น, านั้นเพราะ Allah บอกว่ า, วาจารนัซุรียะตะหูฮุมุลบาคีนที่เหลืออยู่นี่ก็คือลูกหลานนบีนูฮ์เท่านุรียตะหูนบี ่ที่นัายาตินเราได้ให้พวกเขาเป็นตัวแทนในเวลาต่อไปนี่หมายถึงว่า ม, มีลูกหลานต่อไปนะแล้วเราได้ให้บรรดาผู้ปฏิเสธองค์การทั้งหลายของเราตมนม้ำนะอ غ กะล้เขาตมนม้ำเรื่องจ ม, มน้ำเนี่ยมันมีนัยยะที่น่าสนใจอย่างที่บอกตอนต้นนะ ในคุรอันนี้อัลลอฮฺบอกว่านเมาอกุลชจงทำน้วเราได้ให้ทุกสิ่งที่มีชีวิตมีชีวิตนี่มาจากน้ําชีวิตนี่ทั้งหมดนี่มาจากน้ําแสดงว่าในแง่นี้เนี่ยน้ำนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีเสมอไปแต่ในเมื่อน้ำนี่มันมันให้มาซึ่งชีวิตก็ต้องเป็นเรื่องบวกสิต้องเป็นเรื่องดีแต่เช่นไหนเลยเนี่ยอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จะให้น้ํา ที่มันให้ชีวิตนี่นะปรากฏว่าเป็นสิ่งที่ให้ความตายด้วยน้ำที่มันให้ชีวิตนะแต่มันสามารถให้ความตายด้วยตัวอย่างก็คือกลุ่มชนนบีนูอักรักนะแล้วเจาะ จ, จงไม่กลุ่มนึงก็คือพีเราให้จมน้ำเหมือนกันอ แล้วมันเป็นบทเรียนอะไรอะไรอ่ะสำหรับผู้ศรัทธาเป็นบทเรียนให้พวกเราได้เข้าใจว่าความโปรดปรานหรือเนียมมาตี่อัลลอ์ให้กับเรานี่นะมันจะกลายเป็นเนียมมาเสมอไปถ้าเราน้อมรับเนยมมานี้และสรรเสริญสดุดีพระเจ้าผู้ซึ่งให้ความโปรดปรานนี้มา จะเป็นเนียมมะเสมอไปเอ้าแล้วผู้สถัทธาที่จมน้ํำล่ะผู้ศรัทธาจมน้ํานี่นะ Allah ก็ยังให้นะน้ํานี่ก็ให้ตายจริงๆนะแต่จะเป็น شهيد นบีระบุชัดเจนเลยว่าคนที่ตายจมน้ำนะนะมุสลิมมุหมินที่ใจนะเป็นช شهيد แสดงว่าคราวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าน้ํานี่ให้ตายเนี่ยมันจะให้ชีวิตนะให้ตายแล้วนะแต่ให้ตาย ในฐานะ شهيد เส้น ش ه ีดในกุตอานี่นะไม่ตายยาอุนช ه ي د ในอัลลอฮสุภาในะวาะถือว่าคนที่มีสถานะเหนือกว่าคนอื่นแสดงว่าน้ำนี่ดีเสมอเลยยกเว้นแต่ปฏิเสธไม่สะดุดีไม่ ส, มสนเสริญไม่ขอบคุณผู้ให้ความโปรดปรานนี่มาให้เนื้อมานี้มานะก็จะก็จะเป็นการสาปแช่งตลอด น้ำก็จะไม่เป็นไม่เป็นเรื่องดีตลอดเหนี่ยม้าอื่นๆ น, นี่ก็เช่นเดียวกันเนียม้าอื่นๆทำมา Allah ให้มนุษย์ผู้ศรัทธาเป็นนีม้าเป็นความปรดปรารเป็นการตอบแทนโดยที่การตอบแทนนี้มันจะไม่ทําให้การตอบแทนในวันเกียร์ม่านี่พร่องไปทําไมอะเพราะอัลลอฮฺประสงค์ที่จะให้เราได้รับการตอบแทนได้โลกนี้และก็โลกหน้า อัน้ดุอาที่อัลลอบอกว่าเป็นดุอาที่ผู้ศรัทธาสม่ำเสมอกล่าวสม่ำเสมอนี่รับบนาอัตินาใน الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة เหมือนกันขอใน้ดุน ي านี่มีพัสนะมีความดีอัคราก็มีความดีเหมือนกันสำหรับผู้ศรัทธานะเอาแล้วผู้ศรัทธานี่เนือมาบางอย่างนี่ไม่ให้อัลลไม่ให้อัลลไม่ให้รวย เราไม่ให้มีสุขภาพแข็งแรงสำหรับผู้ศรัทธาเนี่ยเราก็จะชดให้มากกว่าผู้ศรัทธาที่รวยและสุขภาพดีในโลกนี้เนี่ยนะถ้ามีคนหนึ่งผู้ศรัทธาในโลกนี้ถูกทดสอบด้วยสุขภาพด้วยสถานะด้านการเงินเนี่ย Allah ก็จะชดให้ในวันเกียร์มาต้นให้ฟังดูว่าจะกป็นอยุางไร ดังนั้นเจ้าจงดูเถิดว่าผลสุดท้ายของพวกที่ถูกเตือนนั้นเป็นอย่างไรอัลมุนซรีเนี่ยผู้ที่ถูกเตือนหมายถึงตรงนี้เนี่ยหมายถึงฟังรุรเจ้านี่โอมุฮัมมัดสุลลอะซัลลัมดูดูเจ้านี่ดูนี่ตอนนี้คนที่เจ้านี่ไปเตือนไปเตือนเขาแล้วเนี่ยบ้านปลายเขาจะเป็นยังไงถ้าสถานะของเขาเนี่ยไม่ต่างอะไรกับสถานะ ผู้ที่ปฏิเสธนบีนูห์นะจงดูเถิดอากีบะอาคีบะนี่เขาแปลไงอากีบะตูอาคีบะนี่ผลสุดท้ายบั้นปลายของเขาจุดจบบทสุดท้ายบทสุดท้ายของเรื่องราวต้องไปดูแล้วท่านนาบีสุลลัลละฮ์อัลเลียฮุสัลลัมได้รับการ ปราบใจมากกว่านี้ถึงขนาดที่อัลลอสุบฮานวาาลให้ท่านนาบีได้เห็นบ้านปลายของผู้ปฏิสัาธและรังแก่ท่านนาบีที่มักกะเนียเป็นการเสียชีวิตเขาในสงครามบ็ดท่านนาบีเห็นเห็นไปแล้วล่วงหน้าและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องที่อัลลอ ให้ความวิเศษกับความรู้ของท่านนาบีสุลต่าละฮะลียอุสันละมที่จะรับรู้เรื่องราวข้างหน้าโดยประจักษ์ไปถึงว่าที่ท่านนาบีรับรู้อันนี้เป็นข้อมูลเป็นข้อมูลว่านี่แบบนี้จะเกิดขึ้นนะท่านจะชนะเรื่องนี้สงครามนี้ท่านจะชนะนนท่าน น, ะนาบีรับรู้อย่างชัดเจนในอนาคตเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นแม้กระทั่งจะชนะในสงครามที่ท่านนาบีเสียชีวิตไปแล้ว เช่นในสงครามสนามเพาะนบีกําลังขุดอยู่ขุดอยู่นี่ก็ตอนขุดนี่มันไปโดนก้อนหินนี่มันก็เลยมีมีมีแสงประกายใช่ไหมนบีก็เลยบอกว่าอัลลอฮ์หุอัคบะรข้าพเจ้ากำลังเห็นทำเนียบการปกครองของเปอร์เซียกําลังถูกพิชิตทำเนียบการปกครองของโรมันกําลังถูกพิชิตถึงขนาดพวกมุนาเวกินกันนะกันไหนท่านนบี Muhammad มีพูดอะไร เราอยู่ตรงนี้เนะี่ยต้องเฝ้าต้องเฝ้าเมืองมาดิน่านี่นะจนกระทั่งพวกเรานี่จะเข้าห้องน้ำจะไปจะไปถ่ายทุกเนียงไม่ ม, มีมีใครกล้าเลยยังไม่มีใครกล้าไปไหนเลยนะเพราะเรากลัวกลัวที่จะเฝ้าเฉพาะเมืองมาดีน่านนะและนะบีกําลังบอกวนะ่ามุสลิมจะครองโลกทําไมเน่ะเพราะตอนก่อนนั้นนะ่ะเปอร์เซียกรโรมันนี่ก็คือมันอเมริกากับรสัสเซียอเมริกากับจีนอะไรเงี้ย น บ, บีนี่จะพิชิตปะซีย์โรมันซึ่งระหว่างนั้นนะ่ะนะระหว่างที่ท่านน บ, บีกําลังขุดสนามพ่อนี่แล้วที่ท่านน บ, บีได้เกณฑ์ทหารชุดแรกที่จะไปไล่โรมันนะั่นนะที่สงครามตะ บ, บูกันนะก็้างกันไม่กี่ปีมันให้เห็นนะว่าเออที่ท่านที่อัลลอฮ์ให้ท่านน บ, บีได้เห็นนะั่นนะมันก็ไม่ใช่เร่างที่มันยาวนะ บั้นปายของคนที่ถูกตักเตือนและปฏิเสธเนี่ยนบีจะรู้จะได้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลข้อมูลชัดเนจนแต่เรานะจะรู้ว่าบั้นปลายของผู้ปฏิเสธานเนี่ยพินาศแน่นอนไม่ประสบความสำเร็จแน่นอนแม้ว่าอัลลอฮ์จะไม่บอกนะสมมติว่าอัลลอ์อัลลอ์ไม่ได้บอกเรานะว่ายิวก่อการร้ายในยุคนี้นี่นะ เขาจะแพ้ก็แามแพ้พี่น้องมุจาฮิดีนที่กาซยังแน่นอนไม่มีเราไม่มีไม่มีวะยูไม่มีคำสอนอัลลอฮ์ไม่ได้บอกเราแต่เราเชื่อเชื่อจากอะไรเชื่อจากสัญญาทั่วทั่วไปที่อัลลอฮ์บอกไว้เช่นนี้เชื่อระหว่างที่ท่านนาบีพูดว่าอาณาจักรเปอร์เซียจะลม้มอาณาจักรโรมันจะลม้ม ประมาณ20ปียุคของคิลาวาของอุมรอิบนุฮัตอับและกับอุสมานอิบเนาะฟานจบในข้อสองอันดับใหนี่จบเลยไม่เหลือเลย20ปีใช้เวลา20ปีแล้วกว่าจะเห็นเพราะนบีเคยพูดหะดีษอีกบทนึง่งหะดีษบรรทุว่ามัด อับบุลละมีอัมารุมลาสบอกว่ามีชายคนนึงมาถามท่านนะบิบสุลลลาฮฺวาเลวเซลเมืองไหนที่จะถูกพิชิตก่อนเมืองกุสตอมตีเนียหรือเมืองโรมโรมเพรอตกรนั้นในคริสติก็มีสองนิกายเท่านั้นนิกายออโทดอกซ์เมืองหลวงเขาอยู่กุสตอมตีเนียหนตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ของโรมันนั่นเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันทั้งหมดโรมันนิกายคาทอลิก แล้วก็มีโรมันนิกายเอ้ยโรมันออโสดกและมีโรมันนิกายคาสิลิกอยู่ไหนอะนูโรมปฎิกันก็ใชยคนนี้เนี่ยการณินี่แปลกมากนะสวยเี้ด้วยถามอาจารนี่มาถามท่านนายว่าเมืองไหนจะถูกพิชิตก่อนแนบีบอกว่าคุสตันตีเนียเนี่ยจะถูกพิชิตก่อนหมายถึงว่าจะถูกพิชิตเป็นเมืองของอิสลามอ่ะก็ถูกพิชิตจริง ในศตะวรรษที่แปดแปดร้อยกว่าปีจากฮานีสทุลนในบิบูที่มาดีนัน่นเอนะใช้เวลาแ800ดร้อปีจะได้พิสูจน์ความจริงของฮานิสซุลเต็นในบีบบุลละเลยสิและบิชิตแล้วและเมืองนี้นี่ก็ถูกเรียกว่าอิสลามบูลแนะตะก่อนนู้นชื่อเมืองอิสลามบูลเมืองของอิสลามเมืองหลวงของอิสลามอะ่ะแล้วก็มาถูกเปลี่ยนในช่วงอตาเตอร์นี่แหละอิสตันบูลตะก่อนนู้นผนะู้ปกครอง ทั้งหมดนี่มีศาสนาผู้ครองทั้งหมดนี่มีศาสนาสร้างบ้านสร้างบ้านสร้างเมืองนี่เขาก็ยังมียังมีเชื้อของความเป็นมุสลิมตั้งชื่อเมืองนี่ก็ยังยังอยู่เมืองอามานุลลอห์ใคได้ินไหมเมืองอามานุลลอห์เอ้ครได้ินไหมามาเนลลามาเนลลานี่อามานุลลอห์ พอฟิลิปปินส์ตะกนูน่ก็เป็นก็เป็นก็เป็นอาณาจักรมุสลิมทั้งหมดเลยทุกเกาะในฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นเป็นของมุสลิมและที่มาเปลี่ยนแปลงในฟิลิปปินส์เปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นคริสเียก็สมัยโบสถเกตมามายึดครองฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่นู่นเยอะซุมาบะอัสนามิมบาอูดีฮิรุสูลหลังจากท่านนบีนูเนี่ยหลังจากท่านนบีนู หมายถว่าเสียชีวิตไปแล้วนี่นะเราได้ส่งบรรดาโรซูลไปยังประชาชาติของพวกเขาทั้งหลายข้าหมายถึงว่าไม่ใช่แค่นาบีนุอย่างเดียวนะมีโรซูลอื่นๆแล้วเดี๋ยวจะมีรายละเอียดหลังจากอายะเนี่ยมีโรซูลอื่นๆมาจากนาบีนุ่นี่มาทําหน้าที่เหมือนนบีนุ่แล้วก็ทําหน้าที่เหมือนท่านนีน่นะโอ้ท่านนาบีมุฮัมมัดอิละกาวมีนไปยังประชาชาติของเขา และประชาชาติขอ ง, ของเขาแต่และคนเนี่ยก็จะมีพวกที่ปฏิเสธเหมือนประชาชาติม บ, บีนูนเี่ยก็ปฏิเสธเหมือนประชาชาติขอ ง, ของเขาเนี่ยที่มียังมีคนปฏิเสธฟะเจอูฮุมบิลไบยีนาดแล้วบรดา ر س ูลเหล่านั้นได้นําหลักฐานอย่างชัดแจ้งเขาก็มีคําิีมีคําสั่งสอนจากพระเจ้าไปแจ้งประชาชาติของเขามายัางพวกเขาฟะมาคานุลิอุมินูบิมากัลจับูบิฮิมินกับลแต่พวกเขา ก็คือประเพีคนที่ไม่ค่อยยอมรับในคําสั่งสอนมันเป็นพันพันเดียวกันนะ่ะถึงแม้ว่าไม่ใช่ลูกหลานกันนะ่ะนะแต่เป็นพันเดียวกันพันที่ใช้สมองอย่างเดียวใช้เหตุผลอย่างเดียวเอาผลประโยชน์เป็นที่ตั้งพวกนี้เนี่ยเป็นไ ป, นปนไม่ได้ก็สมัยนบีนุก็ไม่เคยเอาสมัยนบีบรหิมสมัยใครก็แล้วก็ไม่เอาสมัยท่านเนี่ยถ้าพันเดียวกันแบบนี้นะเขาก็ไม่เอาเหมือนกัน พระมังกรูลี่ยมีรูวิมากระดับูวิฮีมิ่งควัลบุแต่พวกเขามิได้ศรัทธาในสิ่งที่พวกเขาได้เคยปฏิเสธต่อนู ح. เอา้าเป็นกลุ่มเดียวไม่ใช่กลุ่มเดียวกันพันเดียวกันเหตุผลเดียวกันหมดเลยที่เขาปฏิเสธนบีนูในยุคนั้นะนะก็มาปฏิเสธท่นานนบีนูอา่ามาปฏิเสธนบีบรหีมาปฏิเสธนบีมูซามาปฏิเสธนบีอิสาแล้วพันเดียวกันนี่แหละที่จะมาปฏิเสธท่าน เหตุผลเดียวกันคดัลิกนับบ่วอาลากลูบิลมีนเช่นนั้นแหละเราได้ประทับตาบนหัวใจของบรรดาผู้ฝ่าฝืนเหล่านั้นประทับตาคือหลังจากที่ได้นำเสนอศัธรรมอัลลอฮจะไม่ประทับตาก่อนที่นบี บรรดาอบียละรซูลจะทําหน้าที่นําเสนอคําสอนไอ้เนี้อเขายังเขายังไม่ได้ฟังเลยนะคําสอนของพระเจ้านะแล้วก็อยู่ดีๆเอาล็อก็ัพระทับจาพระทับตาประทับตาหัวใจไม่ปิดนไม่ฟังไม่ไม่ให้รับรู้เข้ายังเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ถ้าแปรที่ใบมันจะขัดกับอายะอื่นๆออกมาคุณในหมวอัลซีบีนะฮัดแตนบบาฮัะรซูลแล้วเราจะไม่ลงโทษใครเลยนอกจากว่า เขาจะต้องได้รับรู้คำสอนจากกระสูลของเราเสก่อนต้องต้องต้องมีสารที่มาถึงเขาเสก่อนยังไม่มีสารอย่างในประทับทา่าแต่ถ้าตุกติกมาแล้วนะได้รับรู้แล้วนะฟังแล้วนะคำสั่งสอนเดี๋วก็มีข้ออ้างแล้วทำไมอย่างงูแล้วทำไมแล้วทาแบบนี้เนาะโอ้มันมันยากเหลือเกินเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวขอดูก่อนตุกติกตุกติก แบบนี้ล่ละเรามีสิทธิ์โดยเฉพาะถ้าการชักช้าเนี่ยไม่มีเหตุผลที่สามารถพิจารณาได้จากมนุษย์เราเนี่ยพิจารณาได้ว่าเขากำลังพยายามที่จะเข้าใจคำสอบไม่ตุกติกนี้กิหมายถึงว่าเขามีโอกาสแล้วที่จะเข้าใจแต่กิริยาที่ออกมาเนี่ยมันเชิงเย่อหยันมันเชิงมันเชิง ไม่ให้ความสำคัญไม่เห้ราคากับคำสั่งสอนนี่เท่านี้แหละ a ล l a h มีสิทธิจะรัพต์ตานี่หมายถึงว่าอยากจะศรัทาเนี่ยไม่เอาแล้วเหมือนอะไรรู้ไหะเหมือนเรามีเพื่อนนะไปเยี่ยมเพื่อนที่บ้านเขาประตูก็ก็ก็ก็เฮ้ยไอ้หวังเปิดนีดเราก็เปิดประตูเ น, ะ น, นี่เชิญเชิญดิเออแกมีอะไรกินวะ เอาแกเข้ามาก่อนเดีวมีเลี้ยงแน่นอนเออแล้วก็มีขึ้นเดือวอะไรนะเออเข้ามาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการให้เออแล้วคนนู้นจะมาไหมคนนู้นน่ยเนี่นนี่มึงจะเข้าบ่าตรงลงมึงจะเข้าไหมเดี๋ยวขอดูก่อนอมึงทํามามาทําไมวะมึงมาทำไมอ่ะทำไม เอออันนี้ก็อ่าแต่ไม่ต้องมาล้วไม่เข้าไม่เข้ามึงจะเข้าก็กูไม่ให้เข้าเห็นใจเขาไหมเห็นใจไหมเนี่ยอัลลอฮ์นี่เป็นพระเจ้าที่สร้างเรามาทั้งพีนะแล้วก็เอาคําสอนเนี่ยให้เราเนี่รอดเราจะได้เลิกปฏิเสธเลิกโง่เลิกเป็นควายให้เป็นมนุษย์สถีนะและอนี่ก็ยังจะมาตุกติกเนี่ยทไมเดี๋ยวก่อนอะไร ทำไมแบบนู้นทําไมแบบนี้ปะทับตาเลยไม่เอาเลยถ้าเป็นแบบนี้นะไม่เอาจะศรัทธาในกอลล็อกก็ไม่เอามีเสียดไม่เสียดอัลลอฮ์ไม่ริซอลิมเขาคดาลิกะณับ่าวะลาคุลูบิลมุอัตดีนเหมือนที่อัลลอ์ไม่ได้บอกว่านบีนู่นนี่ด้ว่าเป็นร้อยรอยปีแล้วแต่ก่อนที่น้ําท่วมนี่ประมาณร้อยกว่าปีนี่อัลลอฮ์บอกว่าโน่เตรียมตัวนั่นนะสร้างเรือ สร้างเรื่องนี้ก็หมายถึงว่าจบละจบละอัลลอฮฺก็เลยบอกว่าเลยุมีเนมิเฆอมิกอิลลามังกะตอ๊ะไม่มีใครที่จะศรัทธาต่อท่านนี้นะนอกจากคนที่ศรัทธาไปแล้วหมายถึงว่าถ้าท่านจะพยายามได้ว่าเขาก็จะไม่ศรัทธาอันนี้ประทับตาคนที่เข้าใจประเด็นว่าโลกนี้มีพระเจ้าจริงนะฟังอายะแบบนี้เนี่ย จะตระหนักถึงอิทธิพลของพระเจ้าพระอำนาจของอัลลอ์ที่กว้างขวางที่สามารถให้ฮ i d a y แล้วปิดโอกาสในการที่จะรับฮ idayah อันที่จะสร้างให้มนุษย์ทุกคนที่มีความเชื่อ ว, ว่าโลกนี้มีพระเจ้านะต้องหวาดกลัวแน่นอนยิ่งถ้าเป็นผู้ศรัทธาแล้วเนี่ยหมายถึงว่าเชื่อแล้วนี่ว่ามีอัลลอ์นะต้องกลัวเรื่องโอกาส ว่าไงจะละห ม, มาดสติละหมาดที่มมตกลงละห ม, มาดฟังดูมวาจิบใช่ไหมใช่แล้วทำไมไม่ละห ม, มาดครับขอดูก่อนยังไม่เคยวางยังไม่พร้อมโอ้มันยุ่งงานมันยุ่งเหลือเกินไม่ค่อยมีเวลาเลยทํางานกลับมาจากทํางานนอนอยู่บ้านอาจจะดูบอล น, นิดนึงแล้วก็ไปแล้วก็จะไปทํางานต่อแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาเลยอะ อ, นนอันนี้คนหลอกตัวเองหรืก็หรือหลอกพระเจ้าหลอกตัวเองอันนี้กันนี่กันพอนอนอติดเตียงแล้วในโรงพยาบาลแต่ละชีวิตนี้ไม่ได้ละหมาดอยากจะละหมาดนะแล้วกูจะละหมาดยังไงอา้าวคนคนมัน ม, ม, มาสอนละหมาดเนี่ก็ไม่มีแล้วไอ้คนนี่ละหมาดเนี่ยไม่อยากเห็นหน้ามึงแล้ว เตือนมตือนตดนโดเจ็บแล้วก็โดนด่าไปด้วยงไงเฮ้ยอย่า ม, มาอย่า ม, มายุ่งกับกูอย่ามาอากูจะไม่ละมาเรื่องระวังกูกับอัลล์ว่าการที่เราเป็นผู้ศรัทธาและเชื่อว่าอัลลอฮ์นี่มีโอกาสที่จะเปิดโอกาสให้เราอัลลอฮ์มีสิทธิ์ที่จะเปิดโอกาสให้เราเนี่ยให้ศรัทธาให้เตบัตรตัวแต่เราก็ยังยึดยักงยกึดกัน ตุกติกพอถึงเวลาที่จะที่จะเอาจริงนะอ่ะฉันอยากจะเตอบัด ต, ตัวนี่โอกาสนี้นี่ไม่่อยมีแล้วเชื่อไหมบางคนนี่พอถึงเวลาที่อยากจะอยากจะเข้าหาเราแล้วนี่ไม่ได้ทำทาไม่เป็นนะ่ทะทันเลรไม่ได้เลยนะจนรู้ตัวแต่เราโชคดีนะว่าบัญญัติอิสลามของเรานี่เปิดโอกาสจนถึง ก่อนตายนี่คือถือว่าโชคดีที่สุดโชคดีที่สุดขอให้เป็นพวกมอตะดีนมอตะดีนเนี่ยผู้ผู้ฝ่าฝืนฝ่าฝืนผู้ที่แสดงอาระยะขัดขืนกับมรร ทำไมไม่ละหมดาดแล้วบางคนเนี่ยก็ถามว่าไอ้คนนี้ไม่ละหมา ด, ดในเป็นกาเฟ่ไหมผมไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นเลยนะคนที่อ้างว่าเป็นมุสลิมคนที่อ้างว่าเป็นมุสลิมมีชื่อมุสลิมแล้วไม่ละหมาดเลยไม่สุดหยุดเลยแม้แต่ประกาศเดียวนี่ไม่เลยผมไม่เคยเห็นนะดูมีบ้างอละหมา ด, ดอีดนะ ละหมาดอีกสักครั้งนึ่งนช่ไหมไม่ละหมาดอีไม่ละหมาดแต่ตอนหาเสียงกนละหมาดก็ละหมาดไงก็มีละหมาดก็ไม่ดิ้นเขื่อคืออว่ายังเป็นมุสลิมมานะแต่มีละหมาดจะอีคลาสไหมอีคลาสนี่กอีกเรื่องหนึ่งนะถ้าเป็นมุสลิมมันไม่มคยทิ้งละหมาดแต่บากคมีมุสลิมทิ้งละใช่คือหมายถึงว่าไม่ละหมาดสม่ําเสมอไม่จริงจังไม่เข้มขัดส่วนมากนี่ไม่ละหมาด วันศุกร์นี่ละหมาดซึ่งมุสลิมส่วนมากในโลกอะนะที่เขาบอกว่าไม่ละหมาดกันน่ะนะก็คืออย่างน้อยนีนวันศุกร์ละหมาดอย่างน้อยนี่ละหมาดอีกอย่างน้อยนี่ละหมาดจนาจายพ่อแม่ว่าไหมอย่างน้อยอะนะรุม่านก็ไม่ละหมาดอีดก็ไม่ละหมาดพอละหมาดจนาจายล่ะจะสวดมน่ะก็ต้องละหมาดละหุมลมาดจนาจายพอเาถามเขาว่าแม่ตกลง มึงเป็นมุสลิมมันกยังยังยังไม่ชวดแล้วและและแม่มึงก็ตกลงจะฝังหรือจะเผาเขาฝังดิฝังนี่แสดงว่าเขาายังเชื่อเป็นมุสลิมใช่มหมอ้ามาฝังแล้วเนี่ยมึงรู้ปล่าก่อนฝังนี่เขามีมีละหมาดนะละหมาดยังไงอ่ะมึงต้องละหมาดนะเออคนละหมาดละหมาดยังไงขอกระดาษนี่พี่น้องเคยเห็นมหมุสลิมที่ไม่เคยลมาดนะไหพอเข้ามาละหมาดนี่มีกระดาษในจับนั่นละหมาดจะนะซนั่นนี่เขาไม่เคยลมาดนะ อันนี้เจอ น, นี้เจอเจอกับตัวเองเลยนะอยู่มาสยิด ท, ท, ที่อีบนะันผมเป็นอิหมามเด็กคนหนึ่งบ้านอยู่หน้ามัสยิดเลยผมนี่เข้ามาสัสยิดละหมดัดมัสยิดเนี่ยตัวควบตัวนะก็เจอเด็กคนนี้ไม่เข้าละหมาดเลยไม่เคยเข้าละหมาดพ่อเขาตายเขาก็ต้องเรียกอิหมามมามาอาบน้ำมายิดอั น, นี้เขาเขาจะนึกถึงอิหมามนึกถึงตัวครูเนี่ย ตอนตายอย่างเดียวมาอาบน้ําอย็ให้มให้ป๋าหน่อยมาไปอาบน้ํามาย็ดอไปแล้วก็มัสยิดก็อยู่ใกล้บ้านนะั่นนะอาบเอามาย็ดขึ้นมัสยิดแล้วก็ละหมาดเขาก็รออยู่ข้างนอกผมก็ทรมานไม่เข้ามาละหมาดป๋าละหมาดท้างในผมอาบน้ำละหมาดไม่เป็นครับผมลากเข้ามาเลยลากมาเลยมั้ย แล้วก็บอกบอกให้คนนี้เข้ามานิสอนสอนเรื่องสอนให้เขาอ่านนัหมาตอนนี้แล้วก็สอนละหมาดเยนาซ่าสอนตอนตอนนั้นเลยอ่ะอ่านน้ำละหมาดไม่เป็นเนี่ยคืนละหมาดก็ไม่ต้องพูดใช่ไหมอ่านน้ำละหมาดไม่เป็นละหมาดกไม่ต้องคุยแล้วนะเยนาซ่าก็ไม่ต้องคุยนะก็ต้ละหมาดเนี่ยมีแบบนี้แต่น้อยแบบนี้มีนะแต่น้อยแต่ส่วนมากที่เขาบอกว่าไอ้คนนี้ไม่ละหมาดเลยอ่ะนั้นก็หมายถึงว่า เคยเห็นตะวันสุกกะเห็นตะวันสุกส่วนมากส่วนมากเอาส่วนมากบ้านเราเ่ยอันนี้บางทีมันก็ต้องทาบ้านเราเนี่ยส่วนมากกันนะคนนี้ไม่ละหมาดเลยไม่อะไรเลยนี่นะถ้าพออายุหกสิบเจสิบเนี่ยต้องไปทำฮัดใช่ไหมทำไมไม่ละหมาดเลยนะหุยยาก็ไม่คุ้มไม่ไม่ไม่ไม่เอาอะไรเลย แต่หกสิบเจ็สิบแล้วนี่มีตังนะต้องไปถึงไม่มีตังนี่มีคนให้ไปทำอะไรไปไหมพอไปดิไปไปไปเองไม่ได้ละหมาดเลยเนี่ยรดูดูดูดๆๆก็คือเงื่อนไขสำคัญนะอย่าเป็นพวกมอตัดีนพวกฝ่าฝืนอย่ามีอะไรขัดขืนกับอัลลอ์อย่าตุกติกกับอัลลอฮ์และเรื่องนี้นี่ยมันจะทำให้เราได้มีโอกาสอย่างต่อเนื่องอย่าอย่าอย่าลังเล มาพูดแบบภาษานักเลงนะอย่าเรื่องเยอะกับอนล้ะนะอย่าเรื่องเยอะพร้อมแล้วอ่ะนะพร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงพร้อมแล้วที่จะเป็นคนดีของอัลลอฮ์พร้อมแล้วที่จะปฏิบัติตามคําสั่งสอนของอัลลอฮ์เท่าที่เรารู้เนี่ยที่เรารู้มาทั้งหมดนี่เนี่ยพร้อมแล้วใช่ไหมเอาเลยเอาเลยอย่าเยอะอย่าเยอะกับอัลลอฮ์อย่าอย่ า, อ ย, า, อ, ยาอย่าอ้างนูน่นอ้างนี่อ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยว ไปหลังนี่ก็จะเป็นเรื่องของบรรดานาับีบรัสูลท่านอื่นนะครับโดยเฉพาะบรรดาอุลลารซมิก็คือท่านอับีมูซาและพระเอกของสุรนี้ก็คือท่านอบเยูนุสสนุกที่สุดเลยห้ามภลาดด้วยประกาศทั้งเปลกอก็ขอบอกเรื่องหน้านะแต่จะอยู่อยู่ท้ายๆของสุรยูนุสนี่ยก่อนสุรยูนุสเี่จบสักเจ็ดแปดอายะนึประมาณนั้ ครับพี่น้องมีคําถามไหมพี่นั่งละหมาดจะได้ผลดีครับผมที่ยืนละหมาแยกก่อนนะพี่น้องเขาถามว่าถึงขนาดไหนที่สามารถหรืออนุญาตให้ละหมาดนั่งได้แยกนะละหมาดฟอรดูเนี่ยต้องยืนไม่ไหวแล้วอัตราหรือขอบเขตของคําว่าไม่ไหวนี่ไม่ไหวนี่ก็หมายถึงว่าถ้ายืนแล้วก็จะเจ็บไม่ไหวปวดไม่ไหวแล้วทุกคนเนี่ยก็ ปรเมินตัวเองคือไม่ไหวนี่ก็หมายถึงว่าถ้าขืนยืนน่าจะเกิดความเสียหายกับสุขภาพกับร่างกายโดยที่เราทนไม่ไหวแต่ถ้าเป็นนับพลูนี่นะไหวหรือไม่ไหวนี่นั่งได้แต่จะได้ผลบุญครึ่งหนึ่งถ้าไหวถ้ายืนละหมาสุนน่าได้แต่เราเลือกที่จะไม่ยืนก็ได้แต่ได้ผลละบุญครึ่งหนึ่งแต่ถ้าไม่ไหวเหมือนพอดูตอนนัน้ก็ได้ผลละบุญครบถ้วนการที่ละห ม, มาเพร า, เราไม่ได้กอดลงจะอยู ไม่กอดอกอะมันเป็นทัศน์ในมัศบมัลิกีทัศนะที่อ่อนแอด้วยคืออุลามะในมัศบมาลิกีที่มีความลึกซึ้งันในมัศบเนี่ยเขาก็บอกว่าทัศน์นี้เนี่ยเป็นทัศน์ผู้รู้ในมัศบมาลิกีที่เข้าใจที่เข้าใจคําพูดของอิหม่ามมลายิกผิดเพราะการกอดอกเนี่ยอิหม่ามมลายิกได้รายงานไว้ในหนังสือมัวตะอเอียงชัดเจนหัดีิสัได้รายงานไว้ ซึ่งจะต้องเป็นจะต้องเป็นความเห็นขออุยมามาลิกีอย่างแน่นอนฉะนั้นเห็นใครไม่กอด อ, อกนี้ก็อย่บบาเพิ่งสรุปว่าเป็นชียนะเพราะมีในกลุ่มที่เขาไม่ไม่ไม่กอด อ, อกนี้ก็มีเชียมีมาลิกีมีอิบาดีะมีไซเดียซึ่งมีทั้งหมดจะเป็นชียนะแล้วก็มีคนป่วยไม่มีภาษาอะไรแนตะ่เขาป่วยเขาากอดอกไม่ได้จริงๆอันนี้เขาไม่มีภาษาเลยกนะ็ อ, อย่าเพิ่งไปสรุปเขานะ เฮ้ยไม่กดไม่ไม่กอ ด, ก อ, ด อ, อกนี่เป็นเชียเนี่เพิ่งสุปอิหม่ามนรมาดนะครับมนินนนาศิลดันเช่น น, นมาดในวตอิชฌาแล้วก็มรรานที่สองนรนรมาดยุมาดแล้วก็วันนี้คุนได้ก็อามมาดเศอิหม่ามไหมนะออกเลยออกเส็จแล้วอมไบไม่อิหม่ามเนี่ย ทุกทุกที่เนี่ยอิหม่นเนี่ก็ก็ต้องรู้ว่ามีคนที่สามารถแทนได้อิหมั่นออกนี่ก็จะดึงคนนึงมาทําหน้าที่เป็นอิหมัม่นถ้าอิห ม, มั่นสูญหราอิหมั่นแปลกหน้าไม่รู้จักใครเลยอย่านะเขาออกไปนี่เนะี่ยคนหนึ่งในมะ่งหมู่นี่ก็ต้องขึ้นมานําละหมาดต่อ เ, เข้าในช่วงนั้นเช่นเช่นว่าอิหมั่นกลังอัสซุรออยู่นะอากาศเราไม่จบแล้วออกเราเราคนที่ขึ้นมาแทนเนี่ยก็มาต่อละบาทต่อไม่ต้องละมาดใหม่มต่อจากที่ถ้าถ้าสามารถต่อจากที่เขา ที่เขาอ่านทั้งนั้นก็ต่อคือมั่งมุมนี่จะไม่รับผิดชอบความบิดผิดพลาดของอิห ม, มัมไม่มีใครรับผิดชอบเรื่องสัตสถานะของคนอื่นคือเขาเข้ามาละหมาดในอิหมัมนี่มีล้วนั่มีนะละหมาดไม่มีนัละหมาดในม่อ ล, ะะละุงเขาถือว่าการละหมาดเขาเนี่ถูกต้องจนถึงจุดที่อิหมัมออกไปแล้วถ้าสมมุตินะครับสมมุติว่าเป็นไปได้ในบ้านเรานี่เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นอิหมัมออกแล้วก็ไม่ได ไม่ดึงใครมามาแต่งตั้งมาเป็นอิหม่ามแทนแล้วก็ละหมาดต่อนะแล้วก็มัคคุุมนี่ก็ไม่รู้จะทําอะไรว้าวุ่นเลยทายังไงต่อเขาละหมาดกันเองเขาเหมาฟาร์ก้อนแล้วก็ละหมาดกันเองต่างคนต่างละหมาดนี้ก็ใช้ได้ก็เป็นไปได้เป็นไปได้นะเออ อาจารย์มะมุมไม่มีใครมีความสามารถในการนําละหมาดเลยไม่มีสักคนนึงก็เป็นไปได้มาซิดบังมาซิดเนี่ยละหมาก็สีห้าคนคนที่มีความรู้มากที่สุดนี้พออ่านฟาตีห้าสูเราบ้างนั้นก็ขึ้นเป็นอิมามแล้วคนอื่นละไม่เป็นเลยก็เป็นไปได้แต่คนที่จะนํานำละหมาดต่อเป็นแทนอิมามที่อิมมอ่านอนุญาตจบแล้วก็ไรออฮ์หรือคนที่เป็นอิมามเนก็อ่านต่อใช่อ่านต่อได้เลยไม่ต้องไม่ต้องมาไม่ต้องมากลับมาอ่านฟาตีห้นะ ถ้ากลับมาอันฟาดีฮานี่ก็แสดงว่าก็แสดงว่าเชื่อ ว, ว่าเชื่อ ว, ว่าอิห ม, มัมใช้ไม่ได้ใช่ปะก็ต้องมาชดตั้งแต่ต้นเลยปะในเมื่อเรายอมรับว่าที่ผ่านไปแล้วนี่ซอนะก็ต้องซ้อหมดเนี่ยซอจนอิหมัมออกจุดที่หมัมออกเนี่ยนั้นอนะเริ่มมามาม า, ม า, ม, ามาแทนต่ออัลลอฮฺอาญาติวาจิบาเราจะอะไรกัน ก็คืออะไรกันเลยอก็หมายถึงว่าอายะพูดถึงว่ากุศอ่านถูกประท่านลงมาเป็นภาษาหรับคําถามก็คือต้องเรียนภาษาดับไหมไม่ต้องไม่ว่าจเอกฉันเลยอิสมาห์เลอุลลามบก็ไม่ได้ว่าจะที่จะต้องเรียนภาษาหรับจะได้เข้าใจกุศอ่านโดยภาษาหรับเอกฉันเลยเอกฉันดังเดสมัยท่านนบี ตั้งแต่ศาสดาต้นบและสหายลยุคสารับนี่มาถึงปัจจุบันเนี่ยไม่มีอุลามะท่านใดที่บอกว่าต้องเรียนภาษาอรับถ้าไม่เรียนภาษาอรับมีบาปบาปเพราะอะไรบาปนี้เพราะต้องอ่านกุตัานต้องเข้าใจกุตัานแล้วกุศลเป็นภาษาอับแสดงว่าเราต้องเข้าใจเป็นภาษาอับนี่ไม่มีอุลามะท่านใดที่พูดแบบนี้เลยเห็นไหกระทั่งกุตัานที่เราต้องอ่านในละหมาดนะอุลมามะก็ไม่ได้บังคับว่าต้องเข้าใจนะเป็นภาษาอับนะ แต่ส่วนมากที่ก็าบังคับเนี่ยก็ต้องอ่านเป็นสำนวนอันดับใช่แต่ต้องเข้าใจมะเป็นภาษาอันดับเนี่ยอันนี้ไม่ต้องรารเทางเราก็ไปพบจะมาที่เขาละหมัดละหมัดช่าให้อยู่มาซีร์กัแล้วเรตั้งใจจะไปละหมัดมากเลยสามเดียวเราพาเราก็รู้ว่าเราช่างรอให้เสร็จนะไม่ต้องต้องละหมัดละหมัดตามคือที่ดีที่สุดเนี่ยถ้าเราจะละหมัดตามนั่นก็ควรที่จะละหมัดตามอิหมั่ง เพราะฉะนั้นถ้าจะละหมาดมะกริบเนี่ยแล้วก็พบเขาคละละหมาดอิชานี่นะก็ละหมาดอิชากับเขาเนียดเวนิชาเลยแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ละหมาดมะกริบนี่ในทัศน์ที่บอกว่าการลําดับละหมาดนี่ไม่ไหวจิบซึ่งเป็นทัศน์อัลมาส่วนมากไปนยถึงว่าลำดับละหมาดเนี่ยไม่ไหวจิบไม่ใช่ฟอรดูไม่ใช่รุกุนในละหมาดต้องมะกริบและอิชาถ้าไปละหมาดมะกริบหลังอิชานี่ชดแต่นะไม่ซอ ศาสนาอุลามะส่วนมากเขาไม่ใช่ก็รละหมาดอิชากับเขาเนี่ยก็จะได้อันนี้ช้อยส์หนึง่งอันนี้ออปชั่นนึงอีกช้อยส์หนึ่งก็คือละหมาดอิชากับเขานีย่เป็นสุนนะเพราะตอนมาเมซิดนี่นะจะทิ้งไม่ได้ต้องละหมาดกับเขาต้องจะมากับเขาแต่นี้เราจะละหมดววาดสมมติเรายึดในศาศนาว่าต้องลำดับละหมาดต้องลำดับแต่ละหมาดอิชากับเขานี่เป็นสุนนะ แลวหลังจากนั้นละหมาดมะกริบเลชามีก็เพื่อนีกอเนี่ยซุนนะละหมาดซุนนะซุนนาอะไรก็ได้ซุนนาทั่วไปไม่ใชซุนนเจาะ จ, อจองไม่ใชซุนนาอิชามะกริบอซุนนาทั่วไปซุนนาทั่วไปสีนี้ก็มีเยอะแยะเชมบสบอกว่าละมาดกับเขานี่แหละพอรักาที่สีเนี่ยอิหมมขึ้นเราไม่ต้องขึ้นเรานั่งแตฮิยาเนี่ยนั่งรอ จนอิหมามนี่มานั่งไดอารีา่ระดับที่สี่นะแต่เราละหมาดเท่าไหร่สามให้สลามพร้อมอิหมามใช่ไมคกับผก็ทําได้แล้วก็มีทัศนะในยุคสลัสนี่ที่เขาที่เขาสะดวกคล้ายๆแบบเนี้ยแบบนี้แบบป๊บๆ น, นี่ไม่มีนะแต่คล้ายๆแบบเนี้ก็มีแต่ทัศนะแบบนี้เนี่ย <c oughs> ทัศนคแบบนี้เนี่ยตัวผมใทัศนะส่วนตัวนะไม่ค่อยแนะนําให้ทําเพราะมันจะทําให้เกิด ฟิตหน้ามากกว่าความความดีของการรักษาลำดับละหมาดคือรักษาลำดับละหมาดเนี่ยดีมากเลยเราจะได้ละหมาดมักริบละกะอิชามันจะได้เออมันจะได้ถูกต้องตามลำดับใช่ปะ่ะแต่นี่มันเป็นประโยชน์ส่วนตัวประโยชน์ได้ส่วนตัวแต่โอกาสที่จะเกิดฟิตหน้านี่พอเรานั่งแล้วก็ไม่ขึ้นเนี่ยมาละ อันนี้แค่อาการแรกนะแค่อาการแรกนะอะไรวะไอ้ น, นี่พอสลามแล้วนี่เป็นเรื่องเลยเป็นเรื่องเลยนอกจากว่าสถานที่ที่คนเขา้าเข้าใจกันดีเรื่องนี้นะแล้วก็หวังว่าไม่น่าจะเกิดก็ทำไปแต่กว่าจะเจอมสัสยิดที่ได้ยินฟาดวาเช่บิมบาสเกือบทั้งหมดนี่นะในโลกดุนยานียน ะ, นาะายการ่์อากาศ มาละหมาดเป็นญามาครับม า, มาทันละการที่สองแล้วพอละการสุดท้ายอิห ม, ม่าดเราให้สลามเราต้องเติมหนึ่งลการเช่นเดนแต่ว่าเราลืมเราให้สลักไปอิหมาดด้วยแล้วพัให้สลากเราเพิเรีนได้เราก็รีบ ย, ยืนอ่กะก็ยืนก็ชดหนึ่งะการแล้วก็ละหมาดไอ้ซูจุดเซวีที่หลัใช้ได้ตักว่าคนที่เกิดละหมาดช่วยที่าา ย, ายากจากภาวะการนอนหลับยากแล้วก็เ ส, สียง เเเเเปป็็็นนนนนนนสสััััญญยยญญาาาื้้อออแกกกบรระี่ยคถ้าถ้าเขามีถ้าเขามีปัญหาจริงด้านสุขภาพด้านร่างกายสรตว์ะนะเพราะบางคนเนี่ยเรื่องโฮโมนของเขาเรื่องอะไรของเขาในการที่จะตื่นคือหลับแล้วนี่ก็คือเคยเห็นเมื่อคนหลับนี่เหมือนตายเลยอะเออประมาณเนี้ยคือจะปลุกยังไงก็ก็บเขาเขาเขาเคยเขาเคยทําคลิปโจ๊ก น, นะว่าเขามีค้อนอนะออกแบบค้อนนีเจ้ จะได้ตีหัวนี่ฮะเหมือนเมืนเขารู้ว่าจะมีค้อนจะมาตีหัวตรงไหนเนี่ยเขาก็รู้กันเลยหลบหลบค้อนเพราะเขาจะนอนต่อไง <S <S 1> <S 1> คือบางคนเนี่ยสมัยท่านนาบีเนี่ยมีสภาบะแบบนี้กามาถามท่านนาบีเนี่ยว่าตะกูลเราเนี่ยก็หมายถึงว่าแสดงว่ากรรมพันธุ์ละสิเข้าก็ตะกูลเราเนี่ยตื่นยากก็หมายถึงว่าโฮอร์โมนของเขาเนี่ยมันตุ้งสว่างชาัดเจ้าเลยนะจะได้จะได้เ อ, อรู้สึกว่าเออไม่ง่วงละ มันตื่นแต่ถ้ายัางมืดๆอยู่เนี่ยไม่ตื่นยังไงก็ไม่ตื่นนาย บ, บกีก็อารมุ่มออารมยถ้าเป็นแบบนั้นให้พยายามจะไม่ถือว่าเออหมถึงว่าเอ้ย ห, ห, หูเองเป็นส้วมของเชตนแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยบางคนนี่ไม่ใช่กับบางคนอยากจะตื่นจริงๆแต่ตื่นไม่ตื่นไม่ไหวคือไม่ไหวถ้าเกิว่าเขาไม่ได้เจ็บอะไรมากครับแต่เขาติดในการนั่งละหมาด อฟอร์ดูเนี่ยไม่ได้ต้องบอกเขาถ้าไหวนะถ้าไหวนะฟรดูไม่ซอดีถ้าไหวเนี่ยแล้วก็อยากอยากจะนั่งกันนะไม่ซอบอกเขาไม่ซอการกียามเนี่ยเป็นรุกุลกกลลูกลูกล่กลูกลลักในลูกลูกฟููกนละู่ลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูล้วลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูรลูกลูกลูนนะะละูกลูกลูกาล ถ้าอิหมัมขึ้นนิมบัตแล้ววะนะไม่ต้องรออาจารละหมาดเลยเพราะหลังอาจารเนี่ยอิหมัมเขาจะขุดบา้านเนี่ยฟังคุดบ้านวาจิฟฟังอาจารยซุนนะให้ฟังขุดบ้านดีกว่าก็ใช่ดีถ้าสองอาจารนี่นะรอให้อาจารย์เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยละหมาดเพราะมันไม่มีอะไรจะมาเทียบไงมันไม่ต้องฟังขุดบา้านไงก็ละหมาดให้รออาจารก่อนกล่าวตามอาจารย์มัวจินก่อนแล้วก็ค่อยละหมาดทีหลังเพราะอิหมามยังไม่ขึ้น ข้าเล ا ن ك اللهم ا ح م د ك ش د و ا لا إله إلا أنت صلّى و ر ك و ْ ب ُ و َ ل ي ُ ص ل ى ا ل ل ه ع ل ب ي ِّ ن َ ا م ح م د وَعَلَيْهِ و َ ص ْ ل ُ